คมอยากจะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับการทรงนําของพระองค์ที่ได้นําพี่น้องของข้าพระองค์ได้เดินทางมาเพื่อจะพัฒนาด้วยความปลอดภัยมีหลายๆท่านที่เดินทางมาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอารักขาและทรงโปรดวยพระพรในเซสชั่นสองชั่วโมงที่กําลังจะมาถึงนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวทั้งการฆ้างคนทั้งหลาย ประทานสติปัญญาให้มันเกิดความซาบซึ้งและนำไปถึงการผูกพันตัวเองกับพระองค์ในการตอบสนองต่อพระวจนะและน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยกราบทูลนิริานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ้ท่านใดที่ไม่มีชีทมีไหมครับมีนะครับหนังสือนะครับ ก็อยากให้พี่น้องได้เปิดในหน้าที่9นะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในหน้าที่9นะครับก็จบตรงที่หัวข้อนะครับที่17วันนี้ต่อ18นะครับเรามาดูในหัวข้อที่18นะครับสาระสำคัญของความเชื่อคริสเตียนแท้คือความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับพระเจ้าพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเมื่อวานนี้ผมเน้นเรื่องคำว่าปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมครับหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสองทางนะครับก็คือเรากับพระเจ้าพระเจ้ากับเรานะครับอันนี้คือเรากับพระเจ้าพระบิดาและเรากับพระเจ้าพระบุตรนะครับตรงนี้จึงกลายเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตคริสเตียนแท้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนถามว่า ความสำคัญของเรากับพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนนะครับนั่นแหละครับคือภาษาอังกฤษใช้ว่าอิน i m เมซี n นะครับอินเมซีแปลว่าความใกล้ชิดความสนิทสนมนะครับความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งนะอินเทเมซีเนี่ย ใช้กับสามีภรรยานะครับเขาอินเีมเพกันนะครับอินเิเมซีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสาระสำคัญคริสเตียนแท้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนบาปแต่ละคนเนี่ยเขาสํานึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความบาปนะครับและบาปเนี่ยคือบาปหนักหนานะบาปหนักหนาทําให้เขาเนี่ยนะครับจะต้องรึ่งในการสิ้นประชนของพระเยซูพึ่งในพระโลหิตขององค์พระบุตพระพระ เ, เจ้านะครับพวกเขาเนี่ย ได้สิทธิพิเศษโดยการไถ่ของพระเยซูเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเฝ้าเข้ามาเป็นลูกของพระองค์เข้ามานามัสการพระเจ้านะครับนี่คือความรู้สึกนะครับที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าเป็นอินเทเมซีนะครับและการอธิษฐานอย่างจริงใจกลับใจที่พระเจ้าจะให้อภยัยและชำระพวกเขาให้สะอาดนะครับคือสาระสำคัญของความเชื่อคริสเตียนแท้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าความเชื่อคริสเตียนแท้คืออะไรเราถามอย่างนี้นะครับว่าความเชื่อคริสเตียนแท้คืออะไรนะครับเราตอบได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ซึ่งาศาสนาอื่นไม่มีถูกไหมครับนะีาศาสนาอื่นเนี่ยนะครับที่มีพระเจ้าเนี่ยเขามีความรู้สึกต้องเกรงกลัวพระเจ้าอย่างเดียวเขารักพระเจ้าไม่ได้นะครับแล้วเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าพระเจ้ารักเขาแต่คริสเตียนเนี่ย นะครับการพึงพี o อเ Testament และ New Testament ์พึ่งพีเดิมพึ่งพีใหม่เนี่ยเรารู้ว่าเราสามารถมีความสำคัญที่แบบอินทตเมซี่กับพระเจ้าได้และเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและเรารักพระองค์ได้เ mm hmm. พระเาะฉะนั้นคิดศาสนานั้นจึงเป็นคิดศา ส, สนาแห่งความรักและความยำเกรงนะครับพระคุณและความบริสุทธิ์นะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญ mm hmm. ในหัวข้อที่สิ้าครับในโอกาสต่างๆพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดยกอย่างเช่นในยอห์นบทที่หกก็35ถึงก็สามสิบหเวลาที่พระเยซูใช้คําว่าขนมปังแทนพระกายของพระองค์ซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วครับนะและพระวิญของพระองค์แทนชีวิตที่เสียสละของพระองค์เป็นเครื่องดื่มฝ่ายวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์ของความสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันของความสัมพันธ์นั้น เนี่ยครับคือพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นหาหนึ่งชีวิตนะครับในขณะเดีวยวกันพระองค์ก็เชิญชวนให้เราดื่มนะครับน้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสัรลักษณ์แทนพระโลหิตและบอกว่านี่คือความสนิทสนมที่ยิ่งใหญ่มากนั่นคือความหมายของกรรพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั่นเองมหาสนิทเนี่ยแปลว่าความสนิทสนมอันยิ่งใหญ่นะครับที่เรามีกับพระเจ้าของเรานะครับ พระเยซูก็ใช้คำ อ, อุปมาที่2บรรทัดสุดท้ายนะครับพระเยซูใช้คํา อ, อุปมาคํา อ, อุปมานี่คือเรื่องราวฝ่ายโลกที่มีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะนี่เปเดนฟิชันสั้นๆและเข้าใจง่ายนะครับคำ อ, อุปมาคือเรื่องราวฝ่ายโลกที่มีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคำพูดที่ทําให้เห็นภาพเพราะฉนั้นอุปมาภาษาอังกฤษชื่อว่าเมตาโฟร์นะครับก็เป็นตรงนี้มี2เรื่องคือชีวิตนะครับชีวิตเลือดที่เป็นเครื่องบูชา การสถิตของพระเจ้าพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในนะครับอันนี้คือความหมายทางเมตาร์ก็คือขนมปังเลือดมีความหมายอะไรครับขนมปังมีความหมายว่าพระวรากายของพระองค์ใช่ไหมครับและ เ, เ, เลือดคืออะไรครับเลือดคือพันธสัญญาใหมนะ่นี่ครับคือเมตาโฟหน้าต่อไปครับหน้าที่10หน้าที่10บนี่นะฮะบรรทัดที่4เราจะเห็นคำว่าพันธะฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนะฮะ น้องเห็นไหมครับพันธะฝ่ายจิตวิญญาณบทที่ี่นะครับพันธะฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยนะครับในพระธรรมยอห์บทที่ 6: 5ข้อข้อเนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูตัด4ีครั้งนะครับถึงพระโลหิตของพระองค์นะถึงพระโลหิตของพระองค์และการดื่มพระโลหิตของพระองค์ตรงนี้เองครับพวกเราอย่าอย่าเข้าใจผิด น, นะครับเพราะว่าทางศาสนาจากแคทอลิกเนี่ยเวลาที่เขาจะรับพิธีม า, ามหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เนี่ย บาดหลวงของเขาเนี่ยจะเสกเศกเล่าองุ่นเนี่ยให้กลายเป็นอะไรครับให้กลายเป็นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนสารนะครับเปลี่ยนสารเปลี่ยนสารเนี่ยสารสารเนี่ยเป็นเล่าองุ่นเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเลือดเปลนเป็นโลหิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยดื่มโลหิตของพระเยซูนะครับพอเวลาเสกขนมปังนี่ขนมปังเนี่ยกลายเป็นเนื้อของพระเยซูฮะมันไม่ใช่เมตาฟอร์เลยนะ นะครับอันนั้นคือเปลี่ยนสภาพเลยเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการถวายบูชาของพระเยซูนะครับถวายบูชาบนแมงเเขนเพียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองพระเยซูไม่ได้ถวายบูชาหลายหลยครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้คําว่าเศษแล้วมันจากสารหนึ่งไปสู่3าหนึ่งไม่ได้ใช่ไความความหมายอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเมตา for ในขันเดียวกันครับพระเยซูบอกว่าเราต้องดื่มดื่มพระโลหิตของพระเยซูนั่นก็เป็นเพียงแด่ความหมายเป็นเพียงออกมาเพื่อเน้นย้ำความจริงของพันธะฝ่ายจิตวิญญาณพันธะฝ่ายจิตวิญญาณเขาเรียก spiritual bond นะครับหรือ spiritual covenant body นะครับหรือ รตรงนี้ครับศัพท์คำนี้นะครับ Special Covenant หรือ Special Bond เนี่ยก็คือเวลาที่เราเข้าสู่พิธทีมหาสนิทนะครับเราจะเกิดบ o n d นบ n ร์ n ดก็คือมีพันธะเกิดขึ้นเรียกว่าพันธะสัญญานี่เองพั้นพันธะสัญญาที่ใช้คำว่า Covenant นะครับก็คือเป็นการสัญญาระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะครับและผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีวันที่จะเลิกสัญญานะมีแต่ผู้น้อยแหละที่จะทำไครับที่จะ ปฏิเสธคําสัญญานั้นอันนี้คือธรรมชาติของคำว่าพันธสัญญานะครับแล้วเราถอยกลับไปเนี่ยนะครับในขณะที่พระเจ้าทําพันธสัญญากับอับราฮัมนะครับในพระธรรมปฐมกาลเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมเนี่ยฆ่าสัตว์นะแล้วแบ่งสัตว์ที่ออกเป็นสองซี่นะครับเหมือนกับแบ่งกองกองไว้นะสองซี่เหมือนอย่างนี้นะครับแล้วพระเจ้าก็เดินไปอยู่ท่ามกลางสัตว์นี้ นะครับพร้อมกับอับราฮัมก็เดินไปนั่นแหละครับคือวิธีการทําสัญญาในสมัยโบราณและพระเจ้าก็อาศัยบริบทนะครับเบื้องหลังภูมิหลังของการทําพันธสัญญาในสมัยโบราณนี้ทําพันธสัญญากับอับราฮัมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็้อเดินข้ามนะครับเดินผ่านซากศัญญตรงนี้ไปมันมีความหมายครับว่าถ้าใครไม่รักษาคําสัญญานะครับก็จะเป็นเหมือนศัตรนูนี้คือเขาจะต้องแยกออกถูกแยกออกถูกแยกออก เขาจะไม่รวมกันเป็นหนึ่งนะครับและเขาตโตถูงตายเนี่ยคือความหมายของการเดินผ่านไปซากศัพที่ตายแล้วนะครับในพันธสัญญาเดิม น, นะครับเอาละครับย้อนหน้าต่อไปนะครับพระเยซูองค์พระวิญญาณทำให้ข้อเทีจริงพื้นฐานนี้ชัดเจนมากขึ้นโดยพระองค์เองผู้เสด็จมานะครับและก็ยอมสิ้นพุชนไม้เขนเพื่อจิตวิญญาณที่หลงหายไป ที่บอกว่าผู้ซึ่งวางใจพระองค์จริงๆอันนี้คือไม่ใช่การถือศาสนานะครับแต่ต้องเข้าถึงหลักความจริงตรงนี้ว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนบาปเขาต้องการพระเยซูนะครับอันนี้คือความเข้าใจจริงๆและเขาจะต้องไว้วางใจพระเยซูให้พระองค์ช่วยนะเพื่อที่เขาจะกลับคืนดีกับพระเจ้า เพเราต้องกลับมาดูชีวิตของเรานะครับตอนที่เราเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อเพราะอะไรเราเชื่อเพราะว่าเราสํานึกว่าเราเป็นมนบาปจริงๆหรือเปล่าเราเชื่อเพราะว่าเราอยากจะได้บางสิ trans, ่งบางอย่างจากพระเจ้าซึ่งไม่ใช่การให้ยภัยหรือการชนดีหรือการยกบาปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูจุดยืนของเราเสมอนะครับว่าตอนที่เราเชื่อจริงๆเนี่ยตอนนั้นเราเชื่อแบบไหนกันแน่เชื่ออะไรกันแ น, น, น่และอะไรเป็นสาระสาคัญแห่งความเชื่อของเรานะครับ ตรงนี้พูดต่อนะครับบอกว่าทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตประจําวันโดยฤทธเดชของพระโลหิต ท, ที่หลังออกของพระองค์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้มีอยู่3 า, า, า, ามอย่างด้วยกันนะฤทธเดชนะครับพระโลหิตและก็พระวิญญาณที่ต้องเห็นไหมครับฤทธเดชของอะไรครับพระโลหิตในการอะไรครับในการทาระในการทําให้บริสุทธิ์ และพระวิญญาณพระวิญญาณก็ทําให้พะจะนะของพระองค์เป็นความจริงและพะจะนะของพระองค์นั้นชาระเราให้บริสุทธิ์เพรา ะ, ะเป้าหมายของการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับก็คือต้องมีชีวิตที่ตรงข้ามกับความบาปเพราะพระเยซูมาเพื่อทําลายบาปถูกไหมครับพระเยซูมาเพื่อเกียวลาบาปในขณะที่พระเยซูให้ชีวิตใหม่กับเราเนี่ยจุดเป้าหมายสูงสุดก็คือ the holy life ก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย เราอยู่ในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์นะครับนะพี่น้องเวลาที่เราเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะเราเข้าสู่สามกระบวนการนะครับพี่น้องจดไว้นะครับกระบวนการแรกก็คือ justification สกระบวนการนี้ครับเราเข้าสู่3กระบวนการนี้กระบวนการ1และกระบวนการ3นะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นช่วงวัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่กระบวนการที่2เนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคลที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูนะครับตั้งแต่ที่เขาเริ่มเชื่อจนหน้าหนึ่งเขาตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห น, หนคือ justification คือกระบวนการที่ ทำให้เป็นผู้ชอบทำครับพี่น้องจําไว้ดีนะคือกระบวนการมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนะี่ยบางครั้งเราไม่รู้ตัวแต่พระบุีบอกอย่างนั้น1คือ justification ก็คือการที่เราถูกยอมรับนะครับหรือการที่เราได้รับการถือว่าเป็นผู้ชอบทำรับการถือว่านะทาคําเนี้ยรับคืออะไรครับเราไม่ได้ทำเองนะเรารับมาให้ไหมครับนี่คือพระคุณนะครับ รับการถือว่าใครถือว่านะพระเจ้าถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมกระบวนการแรกเนี่ยก็คือกระบวนการที่บังเกิดใหม่ครับนะครับบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่ตรงนี้นะครับทำให้เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมจุดตรงนั้นนะครับที่เราบอกว่าคนคนหนึ่งเขาปรับใจใหม่นะครับก็ต้อนรับพระเยซูเ็เปิดใจเขาสารภาพบาปเขาเนี่ยนะครับ ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยคนรับเชื่อพระเจ้านะครับคนบัพติศมาในขิน ย, ย, ยานริ่งต่างเหล่านี้ครับก็คือการการ justification นะครับจะมีหลายชื่อหลายชื่อนะครับนหลายชื่อที่พูดถึง justification เป็นชื่อเป็นชื่อเป็นชื่อๆนะครับหลังจากนั้นพู๊บเนี่ยคริสเตียนคนนั้นเนี่ยถูกนำเข้าสู่กระบวนการที่สองทันทีก็คือ s ซ n ติฟายเซนติฟายหรือเซนคัคือการชำระให้บริสุทธิ์การถูกชำระให้บริสุทธิ์นะครับมีเครื่องมือในการชำระเราให้บริสุทธิ์2 อ, อย่าง 1. คือพระเจนาของพระเจ้าและ2คือพระวิญญาณบริสุทธิ์2 อ, อย่างนี้ครับนะครับประการนี้นะครับที่เป็นผู้ที่ชำระเราให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคริเสเตียนจึงห่างจากค่อมดีไม่ได้ คือเซียนจึงมีชีวิตที่ห่างจากพระวิญญาณไม่ได้เพราะนั้นเราต้องทูลขอพระเจ้าบอกว่าขอพระวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นไงครับเติมเต็มชีวิตของเราเสมอเสมอเสมอเถ้าพระวิญญาณเนี่ยเติมเต็มชีวิตของเราเสมอเสมอเสมอครับชีวิตของเรานี่ก็จะอะไรครับบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเรื่อยแซงแปลว่าอะไรชำระให้บริสุทธิ์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการมีชีวิตที่เป็น holy life เนี่ยนะครับหรือ sanctified life เนี่ยเป็นชีวิตที่พระเจ้า ตั้งใจหรือปรารถนาให้เราเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นเป็นตัววัดนะครับว่าเราเนี่ยดำเนินกับพระเจ้าใกล้ชิดอินทตอร์เนซีกับพระเจ้ามากขนาดไห น, นก็คือว่าเราวัดด้วยชีวิตของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขนาดไหนนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยได้ทำบาปนะนะไม่ทาบาปเป็นลักษณะบาปใหญ่ๆบาปหนัหนกๆนะเปล่าเพราะว่าในที่นี้ไม่มีใครเคยฆ่าคน ไม่มีใครเคยคอล์รัปชั่นเป็นพันล้านร้อยล้านไม่มีนะแต่บางทีเราอาจจะยักนิดนั่นนิดหน่อยหรือบางทีเราจะมีความคิดที่ไม่ดีหรือบางทีเราจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามพระเจ้าของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งการละเลยไม่ทําบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะทํานั่นแหละครับบาปและเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันน้อยลงเรื่อยๆในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าน้อยลงน้อยลง แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรามีเรามี sanctification นะครับประการที่3ครับก็คือ glorification glorification ก็คือว่า glorified หรือ glory นี่แปลว่าพระศิรินะครับก็คือคนคนหนึ่งนะครับเมื่อเขาตายไปปุ๊บเนี่นะครับเขาจะขึ้นสู่พระศิริของพระเจ้าเลยก็คือว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่มีบาปละเพราะเขาไม่มีโอกาสทาบาปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปอยู่กับพระเจ้าเลย ตรงจุดนั้นนะครับเขาเรียกว่าพริบตาเดียวพริบตาเดียวตรงนั้นนะก็คือเข้าสู่เข้าสู่เขา้เขาสู่สภาพที่3สเตจที่3เลยก็คือก o r i f i เคชั่นก็คือชีวิตของเขาเนี่ยจะมีสนาราศีนะครับเต็มไปด้วยพระสิริที่มาจากพระเจา้า3วอันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นกราฟง่ายๆนะครับกราฟชีวิตของเราง่ายๆฝ่ายจิตวญญาณดังนี้ เพระชาพบเราถูกยกขึ้นมาให้เป็นคนชอบธําอันนี้คือแค่เที่ยววินาทีเดียวแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พเราตายพุ๊บนะครับนี่คือกระบวนการที่1 2แล้วก็ พอเข้าใจไหมครับก่อนที่เรารับเชื่อพระเจ้าจากซ้ายนะครับไปทางขวาพอเราเชื่อพระเจ้าปุ๊บเราถูกทับให้เป็นยนตชอบธรรมนะขึ้นสู่มาตรฐานของพระเจ้าแต่ในขณะที่กระบวนการที่สองนะครับคือเซนติฟายเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นขนลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยตามแต่อารมณ์แล้วแต่อานะรมณ์อารมณ์ไม่อยากรับพระเจ้าก็ลง อารมณ์อยากจะรับพระเจ้าก็ขึ้นอารมณ์ที่อยากจะอาจ่านทระคัมภีก็ขึ้นนีอย่างเนี้ยครับมันเป็นอย่างเนี้ยเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอารมณ์ของเราลงในการติดตามพระเจ้านะเราใช้ความคิดเราใช้สติปัญญาเราใช้พปวงชนะเราอาศัยพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราเนี่ยก็ขึ้นพระคัมภีร์เดิม น, นะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่ติดตามพระเจ้านะเชื่อความพระดํารัสของพระองค์นะชีวิตของเขาเนี่ยจะสูงขึ้นทางเดียว สูงขึ้นทางเดียวก็คืออะไรครับก็คืออย่างนี้จ้องเห็นไหมครับสูงขึ้นทางเดียวคือบางทีมันไม่ได้หมายความว่าชิพคุณจะตกไม่ได้นะแต่สูงขึ้นทางเดียวคือสัลโมันเป็นบวกสัลโลมันเป็นบวกความลาดเอียงเนี่ยคือบวกในในเรื่องกราฟเนี่ยสัลโเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าสูงขึ้นทางเดียวก็มีความหมายอย่างนี้ว่าชิพิุณเขาเนี่ยจะค่อยตไต่ระดับไปเรื่อยบางครั้งมันก็เหมือนอุ่นนะี มันก็มีลงบานครับมันก็มีขึ้นมันก็มีล ง, งนี่คือนี่คือการไต่ระดับการการสูงขึ้นทางเดียวนะอันนี้คือกระบวนการที่สองจนทั้งถึงกระบวนการที่สามนะครับก็คือการยืนยันเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คื อ, คอวิถีชีวิตของคริสเตียนนะครับฝ่ายวิญญาณเาใมครับมาถึงตรงนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามไหมครับมีมีนะครับเราเข้าไปที่ข้อที่20ครับ แล้วในระหว่างค่าวันสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะไปสู่กางเขนนะครับในพระธรรมมัทธิวที่ยี่สิบก้อยีเราพบว่าตรงนี้พระเยซูประทานพระองค์เองเป็นค่าไข่สาหรับคนจํานวนมากได้หมายความว่าพระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์นะครับประทานพระโลหิตของพระองค์ให้กับเรา และพระองค์ทรง ต, งตั้งอาหารขององค์พระวเจ้าอาหารเมื่อสุดท้ายคือพิธีมหาสดิทนะครับในยหน้าถัดไปนะครับตรง ก, กลางกลงลูกาบทที่22่สข้อสิลูกาเพิ่มเติมคําตัดของพระเยซูว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสกานี้กับท่านก่อนที่เราจะทนทุกข์เราบอกท่านหลายว่าเราจะไม่รับทานปัสกาอีกจนกว่าจะสําเร็จความหมายของปัสกานั้น ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับอาจารย์พอเขเขียนอย่นีครับว่ามันชัดเจนมากจากที่พระเยซูตรัสตรงนี้ว่าเราจะฉลองความสําเร็จของเครื่องบูชาด้วยเลือดที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของพระเยซูแม้แต่ในแผ่นดินนิรันดร์ของพระเจ้านั่นหมายความว่ามันจะมีการเซอร์เบอร์ชั่นนะครับมีการเซอรเบร์เนี่ยฉลิมฉลองนะครับโดยนะครับโดยเราจะรับนะครับรับ ความหมายของปัสกาด้วยการนะครับกินขนมปังและดื่มนะครับบนแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นบนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยนะเหลืออยู่พิธีเดียวก็คือวิธีอะไรครับพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นะีโอเคนะครับต่อไปครับข้อยี่สิสอนที่เกี่ยวกับเลือดของอัครสาวกหมายความว่าในจดหมายฝากนะครับ13ฉบับนะีของเปาโลและที่เหลือของอัครทูตต่างๆนะครับ เขาสอนอะไรบ้างเกี่ยวกับพระโลหิตนะครับเรามาดูครับอาจารย์เปโลเขียนในห่งโครินท์ที่11นะฮะก็คือเป็นข้อพ้องพีที่พวกเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ศา ส, สนาจารย์นี่เวลาประกอบพิธีเนี่ยจะใช้พ้องพีข้อนี้นบ่อยที่สุดเลยนะครับนะที่บอกว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าม่ายพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระ้เนเจ้าคือในคืนที่เขาอาเจ็บพระเยซูพระเยซู ได้ทรงหยิบขนมปังขันขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและจัดว่านี่คือกายของเราซึ่งให้กับทั้งหลายจงทําอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราพระเยซูพูดงั้นนะครับเมื่อที่หักขนมปังหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ก็ทรงหยิบถ้วยด้วยกันอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลๅิตของเราเมื่อทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดาจงดืม่มเป็นที่ระลึกถึงเรานั่นคือพิธีระลึกนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกพิธีมหาเสน่หศักดิ์สิทิ์ว่าพิธีศีลระลึก ทำไมครับอาจารย์พิธีศีลลึกเลลึกถึงใครเลืลึกถึงพระเยซูเพราะฉะนั้นเ น, นี่ยศีลเลลึกเนี่ยง่ายมากเลยครับก็คือเวลารับเนี่ยครับต้องระลึกถึงพระเยซูอย่านึกสิ่งพวกสิ่งนี้นะเลึกถึงพระเยซูแล้วถ้าเรามีอินทตอร์เมซี่กับพระเยซูยมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับสมมติเรามาเรียนพระงุกีเนี่ยเราจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเรียน24ชั่วโมงจุดท้ายของพระเยซูเราจะเรียนเรื่องว่าพระเยซูยพูดบนแม่นเขตเนี่ยพระเยซ มีความหมายใหม่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยสองสาปีที่แล้วใช่ไหมผมเคยสอนเจประโยชน์สุดท้ายบนม่านหนึ่งเขียนพอเรารู้จักเรื่องกันๆเหล่านี้นะครับเราจะมีความรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผมเนี่ยนะครับรู้จักอาจารย์ปองทิพย์อย่างเนี้ยอาจารย์ปองทิพย์มาบ้ารู้จักอาจารย์ปองทิพย์นย <c oughs> าายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในฮันนี่มูลเนี่ยนะฮันนี่มูลแต่งงานกันใหม่ๆนี่รู้จักกันในระดับหนึ่งแต่พอแต่งงานมายี่สิบเท่าไหรนะ่นายปีปีที่เนี้ย 28บปีเรารู้จักอีกระดับหนึ่งละเห็นไหมครับนี่คืออินทอเนชัที่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้แบบอะไรครับแบบดราม่าหรือเป็นความรู้แบบโรแมนติกแต่เป็นความรู้ในแง่ของความเข้าใจรู้จักจริงๆเพราะฉะนั้นเราเรามารู้จักพระเยซูเนี่ยถามว่าเรารู้จักจริงๆหรือเปล่าเรารู้จักว่าฟงคิดยังไงหรือเปล่าพระมีนามไทยอะไรหรือเปล่าหรือเราแค่มารู้จักพระเยซูเออเป็นเป็นพระเจ้าที่เรารักเราเคารพก็แล้วกัน เ ไ, ไมไอ้ตรงเนี้ยมันมั น, ม, นมันห่างชั้นกันนะครับผมจะบอกกับพี่น้องนะว่าคนที่รู้จักพระเยซูเยอะๆมากๆเน่ยเขอ่านพระคัมภีร์ากๆๆเขาคิดถึงพระเยซูบ่อยๆก็พูดคุยกับพระเยซูตลอดนี่คืออินเตอเมซีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำให้เราระลึกได้นะครับเมื่อเรายิ่งนึกก็ยิ่งเหมือนพระองค์อยู่ใกล้นะใครที่มีญาติพี่น้องผู้ที่เราเคารพรักเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้ครับว่า ถ้าเราไม่คิดถึงท่านนะท่านก็รู้สึกห่างแล้วมันรู้สึกไกลแต่ถ้าเราคิดถึงท่านบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับท่านอยู่ใกล้เช่นเดียวกันคับในทางลบนะฮะในทางลบมีผู้รับใช้พระเจ้าว่าอย่าไปคิดถึงผีนะอย่าไปพูดถึงผีนะอย่าไปดูหนังผีนะอย่าเล่าผีมาหลอกเด็กอย่าเล่าเรื่องผีให้เด็กๆฟังอย่าเล่าเรื่องผีให้ลูกเราฟังอย่าเล่าเรื่องผีให้นักเรียนฟังเอะไรยิ่งเล่ามันยิ่งมาใกล้มันยิ่งอยู่ใกล้เห็นไหมครับนี่แหละครับคือ วิธีการที่ระลึกถึงเมื่อเราระลึกถึงพระเยซูพุ๊เนี่ยเหมือนกับพระเยซูมาอยู่ใกล้เราเหมือนกับพระเยซูกําลังเข้าสนิทและเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นั่นคือความหมายของพิธีมหาสนิทจกักรซินะครับเอาละครับทีนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่10บข้อสิครับอาจารย์มารวมรากาศในคําสอนเกี่ยวกับอาหาร นะครับขององค์วิญจาว่าถ้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรนั้นทําให้เรามีส่วนในร่วมในพระโลหิตของพระคิดมิใช่หรือขนมปังที่เราหักนั้นทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดไม่ใช่หรือนะแสดงว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามารับประทานขนมปังด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเราเป็นอะไรครับเป็นพี่น้องกันเราร่วมมีส่วนในพระกายของพระเยซูพระกายของพระเยซูเนี่ยออกคฤทธิ์ในชีวิตของเรา ผลหิตของพระองค์ออกริดในชีวิตของเราจากตรงนี้นี่เองทําให้เรากลายเป็นพี่น้องกันนะครับเหมือนกับเรากินข้าวพ่อเดียวกันน่ะกินแกงพ้อเดียวกันกินน้ําบ่อเดียวกันถูกไหมครับแล้วแล้วคนก็มกักจะถามว่าแล้วทะเลาะ ก, กันไปทําไมแล้วแล้วนินทากันทไปทำไมแล้วแล้วตําหนิงซึ่งกันและกันแล้วขัดแย้งกันไปทําไมกินข้าวพ่อเดียวกันนี่แหละสมควรไหมเห็นไหมครับอันนั้นก็เป็นข้อคิด อาารย์พระโลเขียนในรวงบทที่ 3: ามข้อยี่สี่ครับบอกว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณพระเจ้าทรงญี่ปุ่นให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้วโดยโลหิตของพระองค์ทางความเชื่อพระเยซูทําในส่วนของพระองค์แล้วเราต้องตอบสนองด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธานะครับและในรวงบทที่หข้อเก้าก็สอนว่าเราถูกชำระ ให้ชอบทำเห็นไหมถูกชำระให้ชอบทำคือกระบวนการอะไรครับกระบวนการ justification ถูกไหมฮะถูกชำระให้ชอบทำเนี่ยก็คือกระบวนการ justification โดยนะครับโดยพระโลหิตของพระเยซูนะฮะเอเวซตตัวที่1นข้อเ็ดครับเราจะได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์และเราพู้คนบาปถูกนํามาใกล้พระเจ้าโดยพระโลหิตของพระองค์พี่น้องครับการไถ่เมื่อวานนี้ ถามหน่อยฮะถามเมื่อวานนี้นะการไถเน้นที่ไหนครับความรอดแตกต่างจากการไถได้ไงครับใครตอบได้หนังสือหนึ่งเล่มครับเมื่อวานนี้นครับเพิ่งสอนไปฮะความรอดคือทุกอย่างที่พระเยซูทรงกระทำใช่ไหครับแต่การไถเน้นที่ไหนครับ คุณแม่มก็ถูกต้องเดี๋ยวพรุ่ง น, นี้รับหนังสือหนึ่งเล่มการไถ่นะครับเน้นที่การการตายหรือการสิ้นพระชนของพระเยซูเพราะาอะไรครับเอาชีวิตแร ก, ถแรกไถกก่ชีวิตมาแรกไถ่แรกชีวิตมานะครับเนี่ยครับคือความหมายของการไถ่นะครับเพราะฉะนั้นอาชารบโวเขียนในจดหมายนะครับที่ฝากไปที่พี่น้องเนงคารเตียว่าการเขียนซึ่งที่จริงความหมาย ก็คือเลือดนะครับโครตสี1นึ่ข้อยีเขียนว่าพระโลหิต oh แห่งกลางเขียนเห็น ไ, ไหมฮะแสดงว่ากลางเขนกับเลือดนี่ความหมายเดียวกันแปลว่าอะไรครับการไถ่สิ้นพชนนะครับเอเฟนัตบที่1นึ่งก็เเราได้การไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์และเราผู้เป็นคนบาปถูกนําเข้ามาใกล้พระเจ้าโดยพระโลหิตของพระองค์เนี่ยพระโลหิตอันแสนประเสริฐแสนวิเศษ ทำให้เราเกิดแบบนี้ขึ้นมาในชีวิตของเราครับนะฮะเปโต้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเปาโลแล้วนะฮะมาพูงเปโต้เปโต้เนี่ยบอกกับผู้อ่านจดหมายฉบับแรกในหนึ่งเปโต้ที่หนึ่งข้อสอบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรตามนะครับตามที่พระเจ้ากําหนดไว้ล่วงนนะหน้าอันที่1นะครับพี่น้องขีดเขียนเขียนเขียนเขียนวงกลมและเขียนเลขหนึ่งไว้นะครับเรานะครับถูกพระเจ้าเลือก ไว้ล่วงหน้าคือกําหนดไว้ครับกําหนดไว้ล่วงหน้าและสองพระวิญญาณทรงทําให้บริสุทธิ์นะครับ3เพื่อที่เราจะเชื่อฟังพระเยซู4รับการประคบลมด้วยพระโลหิตของพระองค์4อย่างนี้ครับนะพี่น้องจําได้ไหมเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องการประคบลมใช่ไหมครับเราพูดถึงอะไรครับเหมือนคล้ายๆกับอะไรครับที่เขาสบาดัดสะบัดมาใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พระบิดาทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าหมายความว่าเราถูกพรีเดสตีนพรี e ดสตีนผมผมแยกจากนี้นะครับาจริงต้องเขีเยนพร้อมๆเขียนใกล้กันิดาเราถูกพรีเดส i ีน เดสตีนี่มาจากคำว่าเดสตินีซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลวฮะนะโชคชะตาชะตาชะตาชะตากรรมนี่แหละเดสตินีก็คือว่าความเชื่อที่เราเชื่อว่าหรือคนธรรมดาชาวโลกเนี่ยเชื่อว่ามันต้องมีอะไรครับชะตาชีวิตของแต่ละคนที่อะไรครับที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นหมอดูจึงหายดีไงนะ เขาจะต้องไปหาหมอดูเพื่อดูอดอแลฮะผูกดวงชะตาอยากจะรู้ว่าชะตาเนี่ยจะจะไปยังไงใช่ไหมครับนี่คือความหมายคําว่า Destin ดีคือโชคชะตาหรือดวงชะตาถ้าไปผูกกับดวงดาวก็เลยเรียกว่าดวงชะตาถ้าไปผูกกับโชคก็คือโชคชะตาแต่ว่า Destin ีเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยก็คือมาจากาพาะคำรีแปลว่าการถูกกําหนดไว้พรีเด t i n e แปลว่าการถูกกําหนดไว้ล่วงหน้า นะครับการถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า Predestine ในเอเฟซาสบทที1่1ข้อ4เนี่ยพูดถึงว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้านะครับผมอยากให้พี่น้องได้เปิโอกาสเปิดนะครับเอเฟซาสบทที e ่1ข้อ4นะครับเราจะเห็นว่าในข้อพีตอนเนี้ยฮะมัน Full Option เลยนะครับข้อ พ, พิตอนเนี้ย u l l Option ทำให้เราเห็นบางสีบางอย่างนะครับเกี่ยวกั บ, บเรื่องของการทรงเลือกนะ เอเซาบทที่หนึ่งก็สครับอ่าน้องหญิงอ่านได้ไหมบทที่หนึ่งก็สนะครับเอเซาบทที่หนึ่งก็สี่ครับอนนอออเอเวซาบทที่หนึ่ ง, v ท, งที่สในพระเยซูคริสต์นั้นโรองได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่พระทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากกรรนิในสายพรันธุ์ของเราก็ห้าครับเราทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบถไถตรงให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ก็เจครับในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤๅษีข อ, ของพระองค์คือได้รับการละไถโทษบาปของเราโดยพระติลนาอันดุลม์ของพระองค์ ครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นคำว่าทรงกำหนดเราไว้นี่คือ Predestine มนะครับถ้าใครมีฉบับ King James ช่ครับกดเข้าไปใน k คิงเจมส์ที่เราจะเห็นว่าคำ Predestine มชัดเลย Predestine มนะครับแล้วก็พระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้ในข้อที่ข้อที่สตอนต้นนะครับเห็นไหมพระเจ้า c ชูสนะนี่คือการทรงเลือก และการทรงกําหนดล่วงหน้าพระเยซูกําหนดหรือพระเจ้ากําหนดเราล่วงหน้าให้เรารับความรอดผ่านทางพระเยซูและข้อที่7บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอาภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอุดมของพระองค์หนี่านศาสนาสตร์แบบใหญ่มากเลยนะก็คืออะไรครับก็คือไถ่าบาปพระโลหิตอาภัยโทษบาป พระกรุณา4ตัวนี้นะครับพูดเป็นชั่วโมงได้เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือศาสนาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความรอดการไถ่บาปโดยพระโลหิตที่เราว่ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพระโลหิตของพระเยซู ม, มีความสําคัญถึงขนาด น, นี้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสําคัญและคุณค่านะครับความเลิศประเสริฐของพระโลหิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับ เวลาที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทเนี่ยชัดเจนเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการที่เรากําลังอธิษฐานสารภาพบาปทูลขออะไรครับการทรงนาก่อนเวลาที่เราเข้าโบสถ์นะครับนะตอนอธิษฐานตรงนั้นพระฤทหิตของพระเยซูถ้าพี่น้องสังเกตนะครับผมยัอธิษฐานเสมอว่าขอพระฤทธิ์ของพระองค์นั้นชำระร่างปาบผิดบาปของข้าพุาทธ ใครไม่เข้าใจเรื่องพระโลหิตเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทราบซึ้งและเข้าใจเรื่องนี้ได้ทําไมอาการยต้องพูดเรื่องเลือดเเลือดเเลือดเลือดเกี่ยวข้องอะไรกันก็เนี่ยครับการชําระการยกโทษการให้อภัยเกิดจากอะไรครับพระโลหิตทั้งสิ้นนะครับโอเคครับต่อไปครับยอนครับยอนยอนนะครับเมื่อกี้นี้เปาโลนะฮะและสกี้ก็เปโตมาถึงยอนแล้ว ยอนสา ว, วกผู้เป็นที่รักเขียนว่าแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามาถคีธรรมซึ่งกันและกันคาว่าสามาถคีธรรมตรงนี้ครับพี่น้องเท่ากับขีดเคียนไหมนะครับเท่ากับอิน i m a c y เีหรือเรียนว่าเฟล l ลชิปนะครับภาษาอังกฤษก็ว่าคอยนัวเนีย นี่ภาษากรีกนะครับคอยโนเนียเ er, นี่ยแ้วาพูดภาษาไทยว่าคอยนเนียคอยนเนียนัวเนียนเนียเหนไหมเห er, ็นนเนียแหน่นวเนียอยู่เนี่ยก็คืออะไรครับอิน i ทเมซี่ก็คือเฟลโลชิพคือสามาัคคีธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเหมือนกับภาษาวัยรุ่นว่าคุณนนเนีนเนียกับพระเจ้ามากขนาดไหนหมายความว่าคุณเลยครับคุณนะคุณสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามีอินเทเมซี่กับพระองค์อินเตเมซีวิทก็ดมาก ม, มากน้อยขนาดไหน นะครับเอาแล้วครับนี่คือย่อนนะครับยอนอยงเขียนอีกนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ได้มาด้วยน้ําพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ําเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยน้ําและพระโลหิตนั่นหมายถึงการตายที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั่นเองนเราไล่มาเรื่อยๆนะท่าประสมการใช่ไหมครับตอนนี้มาถึงวิวอนแล้วครับโลหิตในหนังสือวีวอนแล้วก็ทําวีวอ์ นะครับในพระธรรวิวเนี่ยเราเห็นการสําแดงของพระเจ้าในสวรรค์โลหิตที่เป็นเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูยังคงจําเป็นความโดดเด่นเห็นไหมยังคงมีความจําเป็นและโดดเด่นในบทที่5บทที่ 7: จ็ข้อสิและบทที่12นะครับในบทที่5นะครับในบทที่5อันนี้2มงบรรทสุดท้ายนะครับนะในบทที่5้าย้อนเห็นพระที่นั่งของพระเจ้าบนสวรรค์และบนพระที่นั่งนั้นพระเมสสปดกเหมือนดังถูกปรงพระชน และขณะที่พวกคู้อุว์ุดตัวลงเฉพาะพระพักรพระเยซูพระเมสสโภดกพวกเขาร้องเพลงบทใหม่มีเรื่องน้องอันนี้ครับพระองค์ทรงสมควรเพราะพระองค์ถูกพระชนและทรงไถ่เราด้วยพระโลหิตถวายพระเจ้ามีการล้ำลึกครับมีการลำลึกถึงพระเมสสโภดอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นการส่งเสริญพระเยซูนะครับตลอดไปเป็นนิดเห็นไหมครับนะอันนี้อยู่ในบทที่ห้า บทที่5นี้คือภาพของการนมัสการพระเจ้าบนสวรรค์นะครับบทที่7ครับเหมือนกันบทที่7จ็ดข้อสิต่อมาภายหลังย้อนเห็นฝูงชนจํานวนมากซึ่งนับไม่ถ้วนเขาถามทูตสวรรค์องค์หนึ่งว่าคนเหล่านี้เป็นใครและได้คํตาตอบว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความยากลําบากทั้งยิ่งใหญ่พวกเขาได้ล้างเสื้อผ้าจำละพวกเขาได้ําระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมสสโบรดก จนขาวสะอาเหนมยังมีการอ้างถึงพระเมสสโภดโลหิตพระโลหิตของพระเมสสโภดกบนอะไรครับบนสวรรค์เห็นความสําคัญต ร, ตรงนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเรื่องพระโลหิตของพระเมสสโภดนี้นะครับก็คือความรอดนิดรันที่พระเยซูทําให้จนกระทั่งถึงนิรันท์เราก็ยังคุยเรื่องนี้นะครับไม่รู้จักอะไรครับไม่รู้จักเบื่อหน่ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ทราบซึ้งในพะระโลหิตนะตอนนี้นะนะแล้วเราไปทราบซึ้งอยู่ข้างบนนะก็ถามว่าเป็นไงครับเสียดายเสียดายที่ตอนที่อยู่บนโลกเนี่ยไม่ได้ทราบซึ้งเลย <c oughs> รู้ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงตรงนั้นทุกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทราบซึ้งระดับไหนนะแต่ว่าตอนเนี้ยถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะมองกลับมาเสียดายจังเลยตอนนั้นเนี่ยไม่น่าไปอะไรนะไม่น่าไป มัวเมาในเรื่องของเงินทองจะหาเงินให้มากที่สุดจะสร้างความมั่นคงต่างๆเยอะแยะมากมายถูกไหมครับนะตอนนั้นเนี่ยไม่น่าเลยตอนนั้นน่าจะทราบซึ้งในพระโลย์ทำอะไรเพื่อพระเจ้าให้มากกว่านี้อันนี้เรียกว่าเสียดายเสียดใจเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมได้รับตอนที่อยู่ในโรงเรียนพระพิสธรมนะเขาก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วหมอไม่กลับไปทำเหรอผมกับผมก็อยากกลับไปทําเหมือนกันแหละ อาจารย์อาจารย์หมอฮิลลี่บอกว่าเดี๋ยวระวังจะเสียใจเสียใจแนละไม่ได้ทําสิ่งที่ดีซึ่งมันส่งผลที่รันแล้วอีกหน่อยจะเสียใจเสียใจว่าตอนนั้นทําไมไม่ทําเนี่ยท่านก็พูดแบบไม่ค่อยชัดนะครับพูดสำเนียงฝรั่งยังไม่ค่อยชัดแต่หลักเกณฑ์เกณฑ์ความหมายตรงนี้พี่น้องครับผมก็มาบอกไข่ทอดให้กับพี่น้องฟังนะบางคนเนี่ยนะเขาตั้งใจว่าหลังกเกษียณเนี่ยเขาจะออกมารับใช้พระเจา้านะ แต่สำหรับบางคนนี่ไม่มีโอกาสเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังกเกษียณแล้วเนี่ยเขาไม่มีแรงนีคนก็ถามว่านะรครับคุณถวายอะไรให้กับพระเจ้าอ่ะโอ้ยผมถวายทั้งชีวิตเลยนะครับก็คือชีวิตหลังกเกษียณคือชีวิตที่ไม่เหลืออะไรแล้วแรงก็ไม่มีนะแรงก็ไม่มีสติปัญญาก็ไม่ได้นะเนี่ยถวายให้กับพระองค์แบบนี้เนี่ยแต่ผมก็เลยกลับมามองว่าพระเจ้าก็มีเวลาเป็นของ ของแต่ละคนพระเจ้าเรียกผมอยากจะบอกว่าเมื่อพระเจ้าเรียกนี่อย่าปฏิเสธพระเจ้าจะใช้นะครับและพระเจ้าเรียกแล้วพระเจ้าใช้มันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถ้าพระเจ้าเรียกแล้วเราปฏิเสธนะครับพระเจ้าก็มีเรียกว่าโอกาสที่สองให้วินทัพวัไทยรองให้นะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้กาพอเต็มที่เท่าที่ควรชีวิตเราอาจจะผ่านบางสิ่งบางอย่างที่มัน เขาเรียกว่ารากหกระเหเล่ร่อนอยู่ในถิ่นธุรกันดาร น, นะครับแม้ว่าจะได้มีเงินมีทองมากมายแต่แต่ ค, ตความสุขสันติสุขบาเดน็จบนสวรรค์ไม่มีอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเกินเรานะครับในบทที่12ครับบทที่12ในยอนนะครับขอโทษครัวิวรรบที่12ย้อยอนได้ยินเพลงแห่งชัยชนะครั้งสุดท้ายนะครับนะ พวกเขาบอกว่าพวกเขาชนะพญามารด้ว ย, ยครับพระโลหิตของพระเมษประดกและด้วยธรรมยานของพวกเขาเองอันนี้เนี่ยครับสามารถอธิบายได้ในสองมิติมิติแบบอีกใหญ่มากเลยนะีพระโลหิตเนี่ยทำให้ชนะมารได้ตรงนี้ใ น, นาศาสตรนศาสตร์เชิงใหญ่แมโครเนี่ยนะ เราเรียกว่าเป็นชัยชนะเหนือความตายเพราะว่ามารเนี่ยมันมาเพื่อที่จลักทโมยใช่ไหมฆ่าชีวิตใช่ไหมทำลายจิตอิริาบถไหมครับมันมาเพื่อลักฆ่าทําลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรูปของพระเยซูเนี่ยทำให้คนเนี่ยหลุดออกจากการผูกมัดอานาจมืดปิญญาชั่วของมารซาตานทั้งหลายใช่ไหมครับทีนี้ในในในเชิงในเชิงแมกโรในเชิงไมโครนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือ เราสามารถจะอธิบายตรงนี้ได้ว่าพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์และมีฤิเดชนะครับไม่ต่างอะไรกับพระนามของพระเยซูคริสต์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับผีนะครับหรือว่าเวลาที่เราเผชิญหน้ากับมารซาตาเนี่ยนะครับในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราต้องอ้างสองอย่างก็คือพระนามของพระเยซูคริสต์เจวนาซาเดนและและอะไรครับและพระโลหิตของพระองค์ นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เวลาที่เราขับผีนะหรือเราโทษนะครับเราไปย้ายศาลพระภูมิหรือเราไปทําอะไรยกยกศาลเจ้าที่อะไรพวกนี้นะครับเจ้า ท, ท, ที่เจ้าทางเขเรียกคนยีเขเรียกตีจูเยื้อนี่น ะ, นะยกขอเราก็มาอธิษฐานในพระาานามพระเยซูเจ้าชาวนาซีและพระโอกหิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้หลังไหลมงเขียดขอการชําระบ้านหลังนี้ให้สะอาดสถานที่นี้ให้สะอาดเพราะที่นี้เราเจ้าของมอบถวายให้เป็นของพระองค์ าการชำาะตัวนี้สำคัญนะครับต้องอ้างสองอย่างนี้นะครับคือพระนามของพระเยซูคริสชาวนาซาเรตและพระโลหิตของพระองค์นะครับพระวิตของพระเยซูนั่นะครับคือจบบทนี้พี่น้องครับในข้อที่2ี่นี่คือคำอธิษฐานของอาจารย์พอร์สมิดนะครับท่านเขียนอย่างนี้นะครับว่าความปรนนาที่เต็มไปด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้า สำหรับลูกที่แท้จริงของพระเจ้าหมายถึงใครครับอาจารย์พอสมิทธ์ท่านอธิษฐานเื่อเรานะครับที่ที่จกพัฒนาและนอกนั้นก็คือที่น้องคนอื่นระหว่างศักระศักดิ์สิทธิ์เราจะมาหาพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อให้พระองค์มีโอกาสมากพอที่จะสอนพวกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความรักพี่น้องไม่ใช่ความรกนะครับ แห่งความรักของพระองค์ฤทธิอำนาจและความจริงของพระองค์ความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณและความเข้าใจโดยประสบการณ์ส่วนตัวและสอนนะครับพวกเราผ่านพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ความหาสัจจั์และความเป็นจริงของฤทธิอานาจของเลือดของโลหิตชีวิตที่ประเสริฐของพระผู้ช่วยรอดและองค์พระบุญเจ้าพระเยซูคริสที่รักของเราผู้เป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงสอนและทรงอวยพรเราทุกคนผู้ที่ปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรู้จักพระองค์อย่างสนสนมมากยิ่งขึ้นและรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้นเข้ามาใกล้ชิดประบาทที่ถูกแทงของพระองค์และจงอยู่นิ่งๆ น, นานพอที่จะให้พระองค์ทําให้พระโลหิตประเสริฐของพระองค์และพระวิญ ญ, ญาณแห่งความรักความเสียสละของพระองค์เติมเต็มหัวใจของเราวิ ญ, ญญาณของเราร่างกายและชีวิตของเรา เพราว่าพระเจ้าของเราพระบิดาของเราพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระบุญเจ้าของเราจะพอพระทัยเราอย่างเต็มเปี่ยมและได้รับเกียรติอย่างแท้จริงในเราที่จะดําเนินชีวิตด้วยชีวิตของพระองค์และทําให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในเราและผ่านทางเราให้เราพูดพร้อมๆกันว่าอาเมนพี่น้องครับเราอธิษฐานเผื่ออาจารย์พอที่นี่กันไหครับนะท่านอธิษฐานเผื่อเราเราอย่างเผื่อท่าน แกขอเชิญผู้ของวรนุษย์นะครับขออาจารย์รนุษช่วยรวมแรงี่ทานะครับพ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใหญ่ที่สูงสุดพระยพระส์พระชนม์เป็นเนตรข้พระองค์ทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนของอาจารย์พอที่ให้แก่ข่าพเะองคทั้งหลายสอนโดยอาจารย์ศึกษานี้โครงการ่าขณะนี้ข้าพรองค์ทั้งหลายรวมใจกันอธิษฐานเพื่ออาจารย์พอขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาติดอยู ings, un, ่กับท่านให้ท่านได รับการรักษาให้หายดียิ่งขึ้นและเป็นปกติในเร็ววันพระงเจ้าข้าขอพระเจ้าสมโรดเมตตาท่านด้วยเพราะว่าท่านมีน้ําใจต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและท่านเองก็ปรารถนาที่จะสอนบทเรียนนี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ในเมื่อท่านต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลขอพระเจ้าสมโรดให้ท่านได้มีสติสุข ในพระองค์และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระองค์อาจนัดแพทย์พยาบาลและให้ท่านได้กลับคืนสู่สภาพปกติและจะกลับมารับใช้พระองค์ต่อไปพระองค์เจ้าค่าค่าพระองค์ทั้งหลายขอมอบอาจารย์พอไว้ในถาดทริฤทธิของพระองค์ให้การรักษาพยาบาลทั้งสิ้นนั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์สําหรับ ชีวิตของอาจารย์พอมและการเสียสละของท่านในการที่เขียนบทเรียนให้ข้าพระองคทุกหลายข้าพระองคทุกหลายขอขอบคุณพระองค์กราบคุณทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูิจ<า>เจ้าเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้จากเราเนี่ยโดยพาะยิ่งผมเนี่ยผมได้เห็นชีวิตการรับใช้ของอาจรพองด้วยความซาบซึ้ง แล้วก็ท่านเข้มแข็งแล้วพระเจ้าก็ให้โ อ, อกาสท่านที่จะสมองนะครับคือลูกสาวคุณแอนน์นะครับเขาให้อยูนะ่คือเลือดมันข้างอยู่ในสมองในระดับนี้นะครับหมอบอกว่าไม่น่าจะพูดได้เพราะมันกดอยู่ตรงสมองที่เกี่ยวกับขอ้อเกี่ยวข้องกับออการพูดเลยนะแต่ว่านี่คือการอัศจรรย์คือท่านพูดได้ นั่นหมายกวมว่าท่านสามารถสื่อสารได้ไอไอไอความกดดันความเครียดเนี่ยที่สื่อสารไม่ได้เนี่ยก็ถูกป ล, ปล่อยออกมาเนะพราะสมองท่านยังคิดได้นะฮะยังคิดได้ยังยังยังยังจินตนาการได้อย่างอธิษฐานได้ยังจำได้อยู่นะนี่คือการอัศจรรย์นะครับขอพระเจ้าช่วยท่านต่อไปนะครับแล้วขอฝากไว้ในครามธิทานของเราครับเอาะครั บ, นรบในบทที่หนึ่งผ่านไปแล้วพี่น้องมีอะไรสงสัยไหมครับ ไม่มีนะครับขอต่อบทที่2ครับวันที่2 อ, อญญาจารย์พอก็เขียนไว้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้พอเรามีรากฐานนะครับในบทที่1แล้วเนี่ยบทที่สเราสามารถไปได้เร็วได้นะครับคือบทที่2เนี่ยพูดถึงเรื่องของการจัดเตรียมของพระโลหิตทีนี้ไม่พูดถึงโลหิตธรรมดานะฮะ ก็จะพูดถึงพระโลหิตของพระเยซูอย่างเดียวล้วนนะครับว่าพระโลหิตของพระเยซูนะครับพระองค์เนี่ยพระหิตเนี่ยหลังออกมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง น, นะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกับคำสองคำนี้นะครับ คำคำนี้นะครับอธิบายง่ายๆครับคำคำนี้อธิบายง่ายๆครับคือ subject แปลว่าอะไรครประธาน object แปลว่ากรรมมันแปลว่าอะไรครับตอนที่เราเรียนไวยากรณ์เ น, นี้ยไม่รู้หรอกกรรมคือผู้ถูกกระทํา subject คือผู้กระทํานะครับ แต่ถามว่าอันนี้คืออ็อบเจกต์ไหมวัตถกุก็เลยงงว่าตกลงมันกรรมคืออะไรคือคือผู้ถูกกระทําและไอไออ็อบเจกตัวนี้วัตถุนี่คืออะไรใช่ไหมครัพอเราเด็กๆนี่เราท่องศัพท์เราก็งงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการใช้ภาษาของมันอ็อบเจกต์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราจับต้องมองเห็นได้เป็นเป็นของจริงซับเจกต์เนี่ยคือตัวเรา ใช่ไหมครับตัวเราก็คือผู้ผู้กระทําอันนี้คือสมมติถ้าเราเครี้ยงทิ้งไอตัวเนี่ยคือผู้ถูกกระทําหรือมันเป็นวัตถุที่เราจับแล้วก็ว่างทิ้งไปเลยเนี่ยศัพท์สองคำนี้นะครับคำนี้เป็นเป็นคุณศัพท์กําลังจะอธิบายว่าสมมติว่าเราคิดของเราขึ้นมาเองเท็กมโนใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียก subjective แต่ถ้าเรา คิดอย่างที่วัตถุเป็นนั่นคือออบเจคทีฟนะฮะเอาล่ะทีนี้ผมถามครับเวลาเรามาบสถ์นักบุญพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นออบเจคทีฟไปซับเจคทีฟช่วยอธิบายด้วยครับทำไมทั้งสองอย่างครับ <Yeah. S 2> เป็นทั้ง subjective และ objective เห็นฮะโอเคทีนี้ผมมาถึงเพลงเพลงหนึ่งที่พวกเราร้องนะฮะพวกพี่น้องอนุชนร้องจำได้ไหครับเพลงอะไรฮะมามาเพลงเลงนี้ย subjective หรือ Sub objective subjective ล้วนถูกมครับมาอย่างที่อะไรครับมาอย่างที่เราเป็นเราต้องบอกว่ามาอย่างที่พระองค์อยากให้เราเป็นและพระองค์ทรงเป็นนั่นแหละครับคือทั้ง objective และ subjective พี่น้องคนที่ไม่ร้องไม่ได้เคยร้องเพลงนี้นะเดี๋ยวให้อายันโยร้องให้เราฟังเฮ้ย <laughs> ใช้เว ม, <laughs> มา นี่เป็นเวลานามาสการไหมมานี่เป็นเวลาอะไรนะถวายดวงใจมาเห็นไหมมามาอันนี้นามาสการอย่างที่เป็นอย่างที่เป็นเราเป็นมาอย่างที่เราเป็นไม่ใช่ต้องอย่างที่อะไรครับพระองค์เป็นและอยากพระองค์อยากให้เราเป็น เนี่ยครับคือออปเวอร์ติฟแบบทรัสตฟมันต่างกันตรงนี้เรามาแบบปิดเดเพืเ่อนๆได้ไหมไม่ได้พระเจ้าไม่พร้อมใครการนสัสการแท้ไม่เกิดการนับการ์แท้ไม่เกิดถ้าไม่มีการสารภาพบาปถ้าไม่มีการใช้บริการพระโลหิตของพระเ ย, ยซูเห็นไหมครับนั่นแหละคือการที่มาแบบที่เราเป็นน่ยไม่ได้มาแบบนั้นอ่ะยังไม่พอต้องอะไรครับ ต้องมาแบบที่พระองค์อยากให้เป็นและมาอย่างที่พระองค์ทรงเป็นด้วยความเคารพยำเกรงและด้วยด้วยความรู้สึกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งความนะครับที่เข้มแข็งบริสุทธิ์นั่นแหละครับคือความหมายที่จะมั่นสารพระเจ้านะครับเอาละครับตรงนี้นครับทําให้เราเข้าสู่นะครับพระคัมภีร์1นึ่งยนบทที่5ข้อ5ถึงข้อแปดมีไหมไม่มีใช่ไหมมีไ่มครับ มีนะครับพี่น้องดูนะครับถ้าพี่น้องเปิดนะหนึ่งย้อนบทที่5ก็ข้านะฮะบทที่5ก็ข้อหถึงก็8เนี่ยพี่น้องจะไม่มีฉบับไหนนะครับในภาษาไทยเลยยกเว้นฉบับ king james ที่จะเห็นตรีเอกพิภาพนะครับถ้าใครมีภาษาอังกฤษนะครับเปิดฉบับ king james ในในมือถือเรานะครับ ถ้าใครมีภาษาไทยฉบับคิงเจมปล่อยได้นะครับในมือถือเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉบับฉบับคิงเจมจะไม่เห็นตีการอุปภาพเลยเปอยดูนะครับ 1. ยอนบทที่5แลนับเป็นเพิ่มพีของพี่น้องนะก็ขีดเส้นใต้ไปนะครับ ใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองในี้ข้อที่5้านะครับข้อที่6นี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ําและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ําสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ําและพระโลหิตและพระวิญญาณจงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงมีพยานอยู่3ประการด้วยกันข้อแครับคือพระวิญญาณน้ําและพระโลหิต และพยามยทั้งสามนี้สอดคล้องกันเห็นตรีเอกนุภาพไหมครับไม่เห็นไม่เห็นแต่ถ้าใครเปิดฉบับกิงเจมครับจะเห็นตรีกอกนุภาพมีมีไห ม, ม, มครับอ่าขอเชิญน้องไพนลินอ่านดังๆนะครับให้เสียงมันเข้าเสียงอัดอยู่ครับ ก็แปดมีพญานิสาพญานิษฐ์แห่งดินโลกคือพระวิญญาณน้ำและพลังงาและพยานทั้งสานี้สอดคล้องกันอืมขอบคุณครับข้อ7นะครับมีพยานิสามอย่างอยู่บนสวรรค์คือพระบิดาพระวาระและพระวิญญาณบนสวรรค์นะก็คือพระบิดาคือพระบิดาพระวาทะคือ พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนสวรรค์แต่บนแผ่นดินโลกที่มีพยานอยู่3าอย่างด้วยกันคือพระวิญญาณน้ําและพระโลหิตนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ยืนยันเรื่องตรีเอกานุภาพเห็นไหมครับบนสวรรค์นี่ตรีกานภาพเลยถูกโชว์แบบเต็มที่เลยนะพระบิดาพระว่าทะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่บนแผ่นดินโลกมีพระโลหิตพระวิญญาณและ น้ำและพยานทั้งสานี้สอดคล้องกันเห็นไหมครับตรงนี้ครับทำให้เรารู้ว่าการสอดคล้องกลมเกลียวที่สมบูรณ์แบบของพยานทั้ง3บนแผ่นดินสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนะครับในฐานะเป็นพยานของการปรัพติศมาการตายที่เป็นเครื่องบูชาพระโลหิตของพระเยซูนะครับสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับปัพิศมาได้โลหิตบนแผ่นดินโลก สอดค้อง3นะครับเตกันภาพนี่คือ3เป็น1ใช่ไหมนะบนสวรรค์บนโลกเนี่ยมี3เป็น1เหมือนกันก็คือน้ําพระวิญญาณและพระโลหิตของพระเยซูปัถหาว่าพระพระพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของอะไรครับเป็นตัวแทนของพระเยซูเป็นตัวแทนการไถ่บาปการชระชนของพระเยซูสําคัญถึงขนาดนี้นะครับคําถามนะครับตรงไปปลายหน้าที่13นี่นะครับ คำถามนี่เป็นกิจกรรมของมนุษย์หรือนะครับหรือเป็นกิจกรรมของพระเจ้าคำตอบคือเป็นกิจกรรมของพระเจ้าชัดเจนมากครับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระผู้สร้างผู้คำจุนโลกผู้พระผู้สูงสุดในบรรด า, าพระทั้งหลายนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดจากพระเจ้านะครับอย่างเดียวเลยนะครับเอานะครับทีนี้พอเราบอกว่าเราสามารถโฟกัสนะครับ การจัดหาฝ่ายวิญญาณสําหรับประชาประชากรก็คือพวกเรามีอะไรบ้างวัตถุประสงค์นะครับในข้อที่1นะครับหน้า14ครับพี่น้องวัตถุประสงค์มีความหมายว่าเกี่ยวกับหรือแสดงว่าสิ่งที่เป็นความจริงภายนอกไม่ใช่เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือความเชื่อส่วนตัวนะครับ ว, วัตถุประสงค์ก็คือส่วนของโลกภายนอกที่อาจจะเห็นได้และพิสูจน์ได้ตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องแปลว่า objective ไอ้แม้อ bjective นี่ก็คือว่า ยกอย่างครับบอกว่าโรคภัยไค่เจ็บความยากจนนะครับเป็นออบเจกตีนะฮแต่ในขณะที่ความรู้สึกความคิดประสบการณ์ของแต่และบุคคลเป็นซับเจ c t ีนะคำถามก็คือว่าความรอดนะครับเป็นซับเจ i v ีหรือออบเจ i v ีความรอดเนี่ย เป็น subjective หรือ objective คำตอบคืออะไรครับทำไมเป็น subjective ครับทำไมเป็น objective ครับ หลักเกณฑ์นี้มาจากใครครับป็บจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นความรอดนั้นเป็น subjective ของพระเจ้าและในขณะเดียวกันความรอดนั้นเป็นเกิดขึ้นกับเราจริงๆเพราะเราเป็น object ถูกครับเราเป็นผู้ถูกกระทำถูกมครับเพราะฉะนั้นความรอดเนี่ยเป็น objective สำหรับเราและเป็น subjective สำหรับพระเจ้านะะพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าความรอดนั้นโดย เกิดโดยพระโลหิตที่เป็นเครื่องบูชานะครับนามาซึ่งการไถเห็นไหมครับการไถ่โดยพระโลหิตที่เป็นเครื่องบูชาและการคืนดีโดยพระโลหิตที่เป็นเครื่องบูชาการไถ่การไถ่เป็นทั้ง subjective และ objective แต่ถ้าเราพูดถึงตัวเราการไถ่เป็น objective นะครับการคืนดีเป็นทั้ง subjective และ objective แต่พูดถึงตัวเราเป็นะครับเป็น objective เนี่ยครับคือคือจุดประสงค์นะครับหรือวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มีมาถึงชีวิตของพวกเราเกิดกันไทยเกิดการคืนดีกันนะครับหัวข้อที่2ครับคำถามสําคัญ4ข้อคําถามที่1ทําไมต้องเป็นเลือดนะครับทำไมต้องเป็นเลือดในการจัดการกับคนบาปของเจ้าหรือความบาปนะครับ ทำไมต้องเป็เลือดครับคำตอบคือที่น้องอะไรครับอะไรนะพูดดังครับทําไมต้องไป็เลือดเราอ่านไปแล้วเราเราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ทําไมต้องไป็เลือดครับ1เพราะเลือดคือชีวิตสคืออะไรครับเพราะเลือดคือ 1. 1. ่เพราะเลือดคือชีวิตสองเพราะเลือดคือความตายเข้า ไ, ไหมครับนะฮเพราะเลือดคือการชาระนะเห็นไหมครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นทาไมต้องมีเลือดเพราะเลือดคือชีวิตเห็นไหมครับเพราะเลือดคือความตายเพราะเลือดคื อ, อการชาระนะครับคำตอบคาถามข้อที่2ครับเลือดทั้งหลายมีคุณค่าเดียวกันหรือเปล่า ไม่ไม่ใช่เลือดที่มีคุณค่าสูงที่สุดคือพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ากําหนดเลือดสัตว์สําหรับเครื่องบูชาพระเจ้ากําหนดพอเราหินของพระเยซูสําหรับการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวของพระองค์ทําให้เราไม่ต้องเสียทําให้เราไม่ต้องเสียเลือดอันนี้เล่นคานะครับในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้ากําหนดให้เลือดสัตว์ นะครับเป็นเครื่องบูชาในภาคตะวันตใหม่พระเจ้ากาหนดให้พระโลหิตของพระเยซูเป็นนะครับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียเลือดเพื่อที่เราไ ม, ไม่ต้องเสียชีวิตไม่ต้องตายนะครับแต่กลับได้ชีวิตได้รับการชำระนะครับนี่แหละครับคือความหมายของพระโลหิตนะครับอันที่3ามครัก็คำถามที่3เลือดที่เป็นชีวิตของพระเยซูมีคุณค่าเพียงใด เล็กน้อยนิดหน่อยหรือหาค่าไม่ได้หรือคุณค่าที่ไม่สามารถคิดคำนวณได้คำตอบก็คือเป็นโลหิตที่เป็นชีวิตของพระเจ้าเองยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเพราะว่านี่คือพระโลหิตที่เป็นชีวิตของพระเจ้าเองก็คือพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นจึงจาเป็นที่พระเจ้าพระบุตรจะต้องกลายเป็นนุดนะครับและในฮีบรูบทที่2ข้อถึง อ่านความดังนี้นะครับบทุทั้งหลายนี้เลือดและเนื้อเช่นไรกันพระองค์ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นหมายความว่าพวกเราเนี่ยมีเลือดมีเนื้ อ, อยังไงนะครับพระเยซูเนี่ยก็มีเลือดของพระองค์และมีเนื้อของพระองค์แบบเดียวกันกับเราแต่เลือดของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับเรานะครับเพราะเลือดของพระองค์เนี่ยนะครับไม่มีสองเอ็นี่น้องอยากสองเอ็นเนี่ย พวกเรานี่ที่เป็นมนุษย์นะครับเราต้องมี 2N 2n คือจํานวนโครโมโซมแนละ้วเป็นคู่นะนะแต่พระเยซูเนี่ยไม่ได้ประดิสนแบบผู้ชายผู้หญิงแต่พระเยซูปฏิสนด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับเลือดของเราเข้มั้ยครับนะอันนี้พอผู้หญิงนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะพระเยซูเนี่ยเลือดของพระองค์เนี่ยไม่รู้จะเป็นกรุ๊ปเอกรุ๊ปบกรุ๊ปโไม่รู้นะนะอาจจะไม่มีกรุ๊ปก็ได้นะ แต่ไม่เหมือนกับเราแน่นอนเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิสนนะแบบธรรมดาทั่วไปแบบมนุษย์นะครับแต่พระองค์มีเลือดมีเนื้อเหมือนมนุษย์และพระองค์มีความรู้สึกแบบเดียวกันกับมนุษย์ทุกอย่างนะยกเว้นอะไรครับพระโลหิตนะแปกเนะเพราะว่าอะไรครับเพราะพระโลหิตเนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษสุดเลยนะต้องบริสุทธิ์ที่สุดถึงจะชําระได้นะครับเอาละครับ ในคําถามข้อที่สนะพระโลหิตของพระเยซูเหมือนเลือดมนุษย์หรือเปล่าคําตอบคือหนึ่งไม่เหมือนเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูไม่ได้มีบิดาเป็นมนุษย์นะพระโลหิตของพระองค์ไม่ได้ประกรอบด้วยโครโมโซมของชายและหญิงตามธรรมชาติที่อธิบายไปแล้วสองครับเป็นเลือดมนุษย์เหมือนเลือดมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าเลือดมนุษย์นั่นอยู่ภายใต้คํำสาบของ ความบาปและความตายและไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่พระเจ้าจะใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยเลือดสําหรับการไถ่และการชําระของเขาสครับร่างกายมนุษย์และพระโลหิตของพระองค์นนั้ถูกเตรียมเป็นพิเศษโดยพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระกายและพระโลหิตของพระเยซูมีเอกลักษณ์ในบอทสารมนุษยชาติทั้งหมดพระโลหิตของพระองค์ต้องบริสุทธิ์เลือดนะครับเลือด ไม่ใช่เลือดนะเลือดมนุษย์พิเศษสําหรับพันธกิจ พ, พิเศษเลือดพิเศษสําหรับพันธกิจ พ, พิเศษนะฮะคำนี้มีความหมายดีมากเลยนะเลือดพิเศษสําหรับพันธกิจพิเศษเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลือดธรรมดาของเรานะนะครับ โอเคไหมครับโอเคนะครับไปทิ้งหัวข้อที่3ครับความรอดโดยพระโลหิต ท, ที่เป็นเครื่องบูชาของพระเยซูตรงนี้มีคำอีกคำหนึ่งครับที่หลา ย, ลยท่านนะครับอาจจะยังไม่คเข้าใจแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจก่อนทุกย่าได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับ คำว่า Absolute Truth ความจริงสมบูรณ์ความจริงสมบูรณ์คือความจริงสูงสุดในแง่ของปรัชญานะครับบอกว่าไม่มีความจริงอะไรที่อยู่เหนือความจริงนี้แล้วนะครับเป็นสัจธรรมชั้นชั้นสูงสุดนะครับจากตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสัจธรรมชั้นสูงสุดนะครับก็คือว่าเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ อาจารย์พอนี่เขียนนีว่ามีความจริงมากมายและพระบัญญัติมากมายในโลกโดยเฉพาะฝ่ายจิตปั ญ, ญญาณซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่คือแอบสโตรดทูดความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าเนี่ยคือแอบสโตรดทูดไหมใช่ไหมครับใช่เป็นความจริงสมบูรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะเป็นมาตรฐานสูงสุดเลยเป็นความจริงสูงสุดเป็นแอบโตรดทูดนะครับในวิชาปรชาัชญาเพราะฉะนั้นเวลาที่ เวลาที่พูดถึงพระบัญญัตินะครับพูดถึงพระโลหิตนะพูดถึงความพรอดพูดถึงหลักข้อเชื่อในพระกัมภีเนี่ยนะถือว่าเป็นแอบสุดทุกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถือว่ามาตรฐานสูงสุดไม่มีใครที่จะไปอะไรบอกว่าสิ่งต่อไปนี้สูงกว่าพระกัมภีไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นย้อนหน้ต่อไปนะครับกิจการบทที่4ข้อ12บอบอกว่าในผู้อื่น ความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้ลรงหลายรอดนั้นไม่ชงปลดให้มีท่ามกางทั่วใต้ฟ้าแอสโตรช่วยไหมแอสโตรช่วยไหมไม่มีใครนะที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้มนุษย์ไปถึงความรอดได้เว้นไว้แต่พระเยซูเพราะฉะนั้นพวก Ecumenical นะครับ Ecumenical คือคือกลุ่มคนเนี่ยที่พยายามนะฮะ จะให้เกิดการรวมศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะครับว่าทุกศาสนาเนี่ยสามารถไปถึงพระเจ้าได้หมด ECumenical นะจุดสูงสุดของเขาคือการรวมศาสนานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังเรื่อง e ีคิวเมเนในสภาพาิจจากพรอาจารย์มี EQmenical นะ้เขารวมอะไรกันเขารวมเารวมอะไรฮนะเขารวมคริสเตียนโปร เ, เตสแตน์นะนิกายต่างตางให้เป็นให้เป็นหนึ่งโอเคไม่เป็นไร นะเขาพยายามรวมคริสเตียนกับคาลิกนะก็ยังเท่าๆยังพอได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รวมพุทธคริสต์อิสลามบอกว่าไปถึงพระเจ้าได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันเลิกครับเลิกครับนะต้องระวังนะครับอันนี้คือ absurd truth ว่าไม่มีอะไรนะครับที่จะไปสวรรค์ได้เว้นไว้วแต่พระเยซู พระเยซูบอกว่าไม่มีทางไหนที่กลับไปถึงพระบิดาได้เว้นแต่จะมาทางเรานะครับไม่มีนามอื่นใดที่เไหนรอดได้เพราะนามอื่นที่รไม่รอดได้นั้นไม่ทรงโปรดไม่ทรงโปรว่าไม่อนุ ญ, ญาตให้มีท่ามกลางลุษทั่วใต้ฟ้านะตอนที่ผมไปไประชุมอีเกมินเลเนี่ยเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยคนเก็ถามผมว่าพระเยซูเป็นคริสเตียนหรือเปล่า พระเยซูปเป็นคริสเตียนหรือเปล่าที่น้องว่าเป็นคริสเตียนไหพระเยซูปเป็นมุสลิมได้ไหมถามงี้เลยนะพระเยซูปเป็นมุสลิมได้ไหมพระเยซูปเป็นพุทธได้ไหมคิดนอกกรอบหน่อยสิครับกรอบใครครับกรอบพระกัมพีไงโอ้โหถ้าคุณคิดนอกกรอบพระกัมพีปุ๊บเนี้ยคุณหล่นจากแอปสุดทุทันทีครับ ระวังนะครับพี่น้องเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ครับที่อยู่เบื้องหลังและสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยงทีพยากอรอ์ไล่วงหน้ามันจะเกิดตรงนี้และนเนี่ยมันจะถ้าเราไปเรียนใน d ด n นียวี a อร์นะครับเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นทางหนึ่งนะครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปถึงใครครับขอสักคนต่อยซึ้งใจหน่อย ถ้าเราไปเรียนพระธรรมแดนเนียวิวอร์เนี่ยเราจะรู้ว่าเรื่อง Ecumenical Movement เนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางหนึ่งที่นำไปถึงเอาใหม่ครับเอาใหม่อี่น้องที่จับพัฒนาเอ๋ยเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะผมถามไปอีกครั้งที่3นะ อีคิ e เมเดนเกิ e มูฟเเนี่ยนะครับในส่วนที่อยู่สูงสนะครับอยู่สูงสูงอย่างที่เราไม่ค่อยได้ไปเกี่ยวข้องนะครับเราเกี่ยวข้องอยู่ในโปรเทสเนของเรานะครับกับกับอย่างมากก็แคดเมลิกใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ส่วนสูงเนี่ยที่เขาจะรวมศาสนาเป็นอันเดียวกันแล้วบอกว่าไปสวรรค์ได้ไปหาพระเจ้าได้หมดเลยนะทุกทางทุกศาสนาเนี่ยไปหาพระเจ้าได้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอีคิวเมเเพิ่ ม, ม, มตรนิดนึงบางทีหรือมีแนวโน้มหรือ อาจจะเป็นไปได้ที่นำไปถึงอะไรครับเรื่องของแอนตี้ไคลส์หนังสือ2เล่มแอนตี้ไคลส์นะครับคือผู้ต่อต้าสพระคริต์ผู้ต่อต้านคริสต์เนี่ยบอกว่าไปได้หลายทางพอคริสต์บอกว่าไปได้ทางเดียวอะไรไปแอปสูตรทูดครับอะไรไปแอปสูตรทูดครับ mm hmm. ทางเดียวแอปสูตรทูดกิจการบทที่4ี่ข้อสิงถูกไหมครับ บอกว่าไม่มีความล่ออื่นใดเลยถ้าจะไปสวรรค์ของเราเนี่ยต้องไปเส้นทางของเราเท่า น, นั้นคุณจะมีสวรรค์อื่นๆได้ไม่เป็นไรนะแต่พวกจะไปสวรรค์ที่มีพระเยซูอยู่นะต้องไปทางพระเยซูครับแล้วสวรรค์ของเขากับสวรรค์ของเราี่เหมือนกันัหมครับเหมือนไหมฮะถ้าเราไปกับเขาอ่ะไม่รู้ไปไหนแต่ถ้าเราไปกับพระเยซู ทางพระเยซูเราจะไปถึงพระเยซูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นคงในความเชื่อของเราว่าวันเวยอาจารย์จาได้ไหมครับประมาณ 3-40 สสิปีที่แล้วเนะ่ยเขามีเขามีรณรงล์นะครับวันเวยวันเวยวันเวยคืออะไรครับไม่ใช่เดินรถทางเดียวนะวันเวยนี่ไปข้างบนครับมีทางเดียวคือผ่านพระเยซูอามีแม่พี่น้อง <c oughs> ผ่านพระเยซูนะครับ ผ่านคนอื่นไม่ได้ผ่านวิธีอื่นไม่ได้นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ออาารยพอล เ, เน็นมากวันเวนะครับเดี่ยวร o n e Way เดี่นี่เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นแอสโตรทูนะครับนะยอดน่าสุดท้ายครับพี่น้องดูอีกประการหนึ่งที่เราควรจะท่องจำถ้าผู้ใดในโลกปรารถนาจะมีส่วนใดของประทานในความรอดของพระเจ้าพวกเขาไม่มีทางเลือก มันมีขาวก็มีดำเทาเทไม่มีเรื่องความรอดนะครับไม่มีสีเทาเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมาหาพระเยซูและวางใจในพระเยซูพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นผู้ที่ได้ถวายพระอรหิตที่มีที่เป็นชีวิตเป็นเครื่องบูชาต่อพระเจ้าในฐานะตัวแทนที่บริสุทธิ์สำหรับคนบาปทั้งหลายเห็นไหมครับนะีเอาละครับหน้า16บครับ ความรอดคืออะไรความรอดคืออะไรเมื่อกี้ผมบอกนะครความรอดคือทุกอย่างที่เบียสุทำมาตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกมาเรื่อยๆจนนั่งถึงพระเยซูจะเดินกลับมาและพระองค์ตอบของที่ความรอดเราจะอยู่กับพระองค์ก็คือนี่นคือความรอดความรอดนะครับบรรทัดที่4รวมทุกสิ่งที่เบียสุรทรงจัดหาให้จัดเตรียมให้กับทุกคนที่หวังใจในพระองค์และรับ จากพระองค์ทั้งหมดที่พระองค์จัดหาให้ทีละ9ก้ทีละอย่างทีอยะ่างนะครับย้อนอีกย้อน ห, หนึ่งกระโดดมานะครับเขาเเวลาเราน้อยนะฮะเขาไเจ้าได้กล่าวแล้วว่าความรอบคือพระเยซูและหัวข้อหลักประการหนึ่งของคําสอนของพระเยซูคความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์นะครับบรรทัดต่อไปเราต้องมาหาพระองค์ด้วยความจริงใจมีความเชื่อแบบเด็กๆรับรู้ว่าฉันเป็นคนบาป นะอันนี้เราพูดมาแล้วนะอีกห้าบรรทัดต่อมากก ร, รูกกาบทที่11ก็ข้อสพระองค์ตรัสว่าถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบับยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกท่านที่ขอต่อพระองค์พี่น้องครับเวลาเราขอให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิม์มันไม่ได้ยากนะเพราะพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้อยู่แล้ว ครับเราขอการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณสุดไม่ยากเลยขอพระขอพระเจ้าแต่แต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องรับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูก่อนแล้วต้องรับ ก, การปรับพรมเพราะการปรับพรมเนี่ยทำให้เราอยู่ใต้อํานาจของพระโลหิตครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญว่าถ้าหากว่าชีวิตเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์พระวิญญาณไม่สามารถเปี่ยมล้นได้เพราะภาชนะไม่สะอาด ไหมครับมันก็รับผู้วิญญาณล้นไม่ได้ล้นด้วยพระวิญญาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นถ้าคนท่านนั้นไม่สารภาพบาปเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับเราจะเห็นแล้วเราเข้าใจผิดนะครับว่าพี่น้องที่ร้องเพลงมากๆนะครับร้องเพลงมากๆนะักมศการมากๆแล้วอินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะแล้วผู้วิญญาณมันเติมเต็มนี่นะถ้าเขาไม่สารภาพบาปนะอันนั้นอนะ่ะคือของปลอม มอยากจะบอกให้เลยผมฟันธงเลยถ้าเขาไม่ได้ผ่านการสรารภาพบาปมาไม่ได้ผ่านการรับการไถ่โทษมานะครับแล้วจะมาอ้างว่าพระวิญ ญ, ญาณเติมเต็มเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระวิ ญ, ญญาณจะไม่เติมเต็มในภาชนะที่สกครกนะครับทีนี้เรากลับมาถึงตรงนี้นะครับบอกว่าความรอดคืออะไรนะรข้อที่สอง ความรอดคือการทํางานของฤทธิอํานาจฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเจ้าในคนเหล่านั้นที่เชื่อรวมที่หน่งข้อสิครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชเป็นฤทธิธรรมภาคของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อนั้นได้ความรอดพวกกิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชนะครับเป็นฤทธิธรรมภาพของพระเจ้าเพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐตัวตัวของข่าวประเสริฐเองนะเป็นฤทธิเดช ริเด็อะไรนะครับริเด็ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตริเด็ในการทําให้คนเนี่ยที่เคยตกอยู่ภายใต้อํานาจมืดมิญั น, นชั่วในอุ้ง ม, มือมานะครับเขาหลุดออกจากสิ่งเหล่านั้นและเข้าไปสู่นะครับเข้าไปสู่การเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยคือริเด็ดริเด็ดนะฮะไม่ได้ริเด็อื่นๆที่ที่ที่อาจจะเป็นของแถมนะฮะผมเรียกกันว่าของแถมเช่นการรักษาโรคที่เป็นของแถมนะครับ การเกิดอัศจรรย์หมายสำคัญต่างๆเป็นของแถมแต่ฤทธิเดชที่เมนหลักเลยก็คือฤทธิเดชแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้เขาเกิดบังเกิดใหม่ทําให้เขาหลุดออกจากอำนาจมืดของอีกฝ่ายนึ่งเข้าสู่ฤทธิเดชของพระเจ้าเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าจากแผ่นดินโลกขึ้นมาเป็นแผ่นดินสวรรค์นั่นแหละคือฤทธิเดชแห่งเปลี่ยนแปลงชีวิตการบังเกิดใหม่การการถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมพวกนี้คือฤทธิเดชที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเลยใชหมครับ แต่ริดเดตของแถมก็คือบางคนพอเวลาเชื่อพระเจ้าแล้วหายโลกนะครับบางคนเห็นการอัศจรรย์คนม่อยเดินได้หรืออะไรต่างเนี่ยที่เป็นิเดอันนี้เขาเรียกว่าของแถมของแถมไม่ใช่เป็นหลักนะนะและไม่ได้ทุกคนด้วยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าริดเดตต้องเกิดกับคนที่เชื่อทุกคนผิดแล้วิเดเกิคนที่เชื่อคนในแง่นี้ก็คือคนที่เชื่อทุกคนเนี่ยได้รับความรอดไ้รชีวิตนิรร แต่ริเดตทําให้หายโรคทุกคนไม่จริงครับถูกไหมครับเนะเราก็เห็นอยู่เห็นไหมครับแล้วบอกว่าริเดตริดเดตริดเดตจริงๆคืออะไรครับริเดตจริงๆคือข่าวประเสริฐนั่เป็นริเดตข่าวประเสริฐมีวัตถุประสงค์อะไรช่วยคนให้รอดช่วยคนให้จากความพินาศเป็นชีวิตนีรันดรเห็นไหมครับนะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะพอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราไปเข้าใ้ของแถมนะนนี้จัดโปรโมชั่น พี่น้องอยากจัดโปรโมชั่นไหครับอนะย่างที่เราไปประกาศนะฮะที่ตรงไอจิงโตเนี่ยพระเจ้าก็มีโปรโมชั่นใะห้นะแต่ให้เขาเนี่ยรู้ว่ามีพระเจ้าจริงโปรโมชั่นเนี่ยทําให้คนอยากซื้อ <c ười> <c ười> <c ười> นะครับนมะีความเข้าใจไหมโปรโมชั่นให้คนอยากซื้อนะทำให้คนอยากซื้อของจริงเป็นการดึงดูดเป็นการเชิญชวนเป็นการชักชวนเป็นการจูงใจให้คนได้ของจริง นะครับอันนั้นน่ะถูกต้องนี่คือโปรโมชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นการรักษารโรคต่างๆการอัศจรรย์ต่างๆหมายสาคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการเนี่ยเป็นโปรโมชั่นทั้งสิ้นเป็นโมชั่นดึงคนมาถึงอะไรครับมาถึงข่าวประเสริฐแต่ถ้าโปรโมชั่นเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถดึงคนมาถึงข่าวประเสริฐนะนะครับอันนั้นเป็นโปรโมชั่นที่ผิดแหละไม่ใช่แหละนะครับหรือโชว์โหมดนะครับ สลับสับที่กันเอาโปรโมชั่นเนี่ยมาเป็นของจริงแล้วเอาข่าวปรเสริฐมาเป็นของรองอันนี้คือผิดอีกั น, กนเราต้องเอาโปรโมชั่นมาเป็นอะไรของนําหน้าก่อนนะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยตามมานั่นแหะคือถูกต้องแต่ของจริงต้องเน้นให้ให้ความสําคัญสูงสุดนะครับเอาละครับต่อไปครับข้อ3ความรอดคือความชอบธรรมของพระเจ้าสําแดงต่อประชาชนและเรามีส่วนในความชอบธรรมของเจ้าความรอดคือความชอบธรรมของพ องประธานความชอบธรรมให้กับเราความรอดคือพระคุณนะครับพระคุณของพระเจ้าทํางานในหัวใจของเราในฐานะของประธานแห่งความรักของพระองค์แก่เราข้อหครับความรอดถูกทําให้มีชีวิตในพระคิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพีงอ่านและงงไหมไม่งงนะเข้าใจนะครับก็อ้ครับหน้า17ครับความรอดคือการถูกนําเข้ามาใกล้พระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูน้องหญิงเปิดเอเบซั่นหน่อนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้ มีไหมครับเอพิสตัสบทที่ 2: องข้อสิถึง13บสในใ น, ในเครื่องมีไหมไม่มีโอเคกครับนี่คือข้อที่จริง5ประการนะครับนะข้อที่จริงหประการถ้าไม่มีพระเยซูเราห่างไกลพระเจ้าถ้าไม่มีพระเยซูเราเป็นคนต่างดาวถ้าไม่มีพระเยซูเราเป็นคนแปลกหน้าต่อพระสัญญาของพระเจ้าและพระพรพันธสัญญาของพระเจ้าถ้าไม่มีพระเยซูเราไม่มีพระเจ้าในโลกนี้ถ้าไม่มีพระเยซู เราไม่มีความหวังเหมือนกับคนที่หลมอยู่ในถิ่นทุรกันดารขอบคุณพระเจ้านะเรามีพระเยซูใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีพระเยซูนะเอเฟซัสบทที่2องข้อสิบเอ็าให้เรารู้เลยว่าถ้าไม่มีพระเยซูเราจะเจออะไรนะครับปรไปครับหัวข้อที่7ความรอดเป็นการกระทําต่อ ก, กันและกันในพระครต์อ่านตรงนี้แล้วงงๆนะครับผมจะขยายความให้ฟังนะครับความรอดนั้นเป็นการแสดงออกนะครับ ถึงความรอดที่เรามีอยู่ต่อกันนะครับคือเรามีความรอดผมมีความรอดพวกเรามีความรอดเราแสดงความรอดต่อกันและกันเพื่อเราจะเป็นของกันและกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับและเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือควอบครอบครัวแห่งความรอดเพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นเราเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเรารอดเหมือนกันนะครับ และเราก็ไปเจอกันอีกทีบนสวรรค์ใครไปก่อนไม่เป็นไม่ใครไปหลังไม่เป็นไรนะครับเรียงคิวกันไปอย่าแซงคิวนะฮนะห้ามแซงคิวพราะพเจ้าจับคิวไว้ให้แล้วนะเราก็อ้าออท่านไปก่อนนะท่านจะไปแล้วเราก็ไปส่งท่านอีกหน่อยเราไปก็จะมีน้องน้องมาส่งนะแล้วก็อีกหน่อยน้องๆไปก็จะมีรุ่นหลังหลานรุ่นรุ่นหลังรุ่นหลานมาส่งเราแต่ในที่สุดเนี่ยครับพอพระเยซูเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง นะฮะเราก็ไปเจอกันหมดข้างบนพี่น้องเราคิดว่าจะเจอกันไหมครับ <Yeah. S 1> เจอไหมครับ <Yeah. S 1> จํากันได้เนาะ <Yeah. S 1> ได้สมัยก่อนเอ้อา <Yeah. S 1> hey, จารย์โจวยังหล่อวันนี้เลยอ่า <c oughs> ประมาณเนี่ยนะแต่ตอนนี้ทําไมอาจารย์โจ๊กเป็นอย่างนี้แล้วอะไรอะไรอะไรประมาณเนี่ยนะครับนะโอเคครับข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดไปแล้วนะครับ <c oughs> อันไหนบ้างที่น้องหญิงเตรียมมาเนี่ยเปิดไหย <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ได้เปิดโอเคครับหน้า18ครับหน้า18การไทยโดยพเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมไม่อยากให้ข้ามตรงนีมม้ไปนิดเดียวครับอาจารย์ครับอิสยาบทที่้ินะครับผมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสอ่านในเทศกาลเลน์ ength, นะครับพระคัมภีร์ที่เขานิยมอ่านมากที่สุดก็คืออิสยาบทที่53ินะครับ ปีนีน้อ่านหรือยังครับปีนี้พวกเราได้อ่านยังครับอ่านแล้วนอะอิสยาบทที่ห้สิบสนะใครยังไม่ได้อ่านมั่งครับผมอยากให้ท่านฟังนะครับขอให้ท่านภาวนานในใจนะครับ ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทงหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากแผ่นพื้นดินแห้งถ้าไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ เป็นดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บป่วยของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ําเพราะความบาปผิดของเราการดีสอนอันทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้านั้นก็ให้เราหายดี เราทุกคนได้เินไปเหมือนแกะเราทุกคนได้ต่างมองได้ได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนท่านถูกบีบังคับและท่านถูกผมใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริดปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปค่าแต่เหมือนแกะที่เป็นไบ้อยู่หน้าผู้ตัดคนของมันชั้นใดท่านก็ไม่ปริดปากของท่านเลยฉันนั้นท่านถูกนาเอาไปด้วยการบารีบังคับและการตัดสิน และเกี่ยวกับเชื้อสายของท่านผู้ใดเล่าคิดว่าท่านต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็นต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเราเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอาธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านไม่มได้กระํามการทารุณประการใดเลยและไม่มีการหลอกลวงในปากของท่านแต่ก็ยังเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านพกช้ำด้วยความเจ็บไข้ เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถยบาปท่านจะเห็นธงพันธ์ของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้มันไทยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่านและผ่อนใจโดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทําให้คนเป็นนั้นมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลายชฉนี้ เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับท่านผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านเทวิ ญ, ญาณจิตของท่านถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับคนทรอยด์ถึงกระนั้นท่านก็แบก บ, บาปของคนเป็นอันมากและทําการอ้อนวอนผู้เพื่อผู้ทรยดนี่คือพระเยซูคริสต์บน้วนเลยครัไม่ได้หมายถึงว่าตื่นเลยแต่พี่น้องนะพี่น้องลองลองไปอ่านดูนะครับและให้ทวนพรนะพัา เราเห็นพระเยซู ช, ช, ช, ช, ช, ช, ชัดชัดชัดจริงๆที่อยู่ตรงนี้อันนี่คือคำพยากรณ์ที่เกิดก่อนพระเยซูประมาณ7 8็ดป้อยปีพูดตรงนะตร ง, ง, ง, ง, ง, งๆรงตรงตหมดเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะให้ควรนะครับในทุกเทศกาลเลนส์เนี่ยต้องมีอิสยา53นะครับถูกใช้มากที่สุดโอเคนะครับเราจะไปในหน้าที่18หน้าที่สิ การไถโดยพระโลหิตของพระเยซูนะดีนะดีีีนะพี่น้องดูนะผมจ ะ, ะล็อกเอาพระบางีนะครับให้พี่น้องฟังนะครับ1เป็นตรบทที่1งข้อที่บทที่1ข้อ1 8ถึงนะครับพวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถออกจากการดำเนินชีวิตที่ไ ร, ร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของรพระฤทธิ์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ํำหนีจุดด่างพยไร้จุดด่างพอยนโครินบที่ 6. ข้อ 19. 20ครับ 1. โครินบที่ 16. ข้อ 19. 20ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกนั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สถิตอยู่ในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าแต่ท่านหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกีเยรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพระเจ้าซื้อเราด้วยราคาสูงครับอย่าเป็นทาสของมนุษย์และจงถวายเกี ย, ดดยรติร ด, ด้วยร่างกายของเราการถวายเกียรติด้วยร่างกายเราก็คือครับ ผมจำได้ไปเยี่ยมเยียนที่น้องท่านหนึ่งนะตอนนั้นไปนำท่านรับเชื่อพวกเราที่เป็นทีมเยี่ยมเยียนเนี่ยก็นำรับเชื่อแต่ผมเนี่คือ ท, ท่านนั่งอยู่ตรงหน้าต่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอารูปให้ดูเท้าของท่านนะเป็นเท้าของคนแก่ที่หายบวมปกติแล้วเนี่ยคนแก่บางคนเนี่ยเท้าจะบวมใช่ไหมแต่ท่านหายบวมแล้วแล้ว รอยย่นของเท้านี่นะสวยมากเลยแล้วผมก็สังเกตอยู่นะแล้วก็ท่านก็นั่งอยู่กับลูกสาวของท่านและเท้าสองเท้า น, นี่นะเป็นเท้าที่เท้าสาวกับเท้านคนชราถ้าเปรียบเทียบไว้นะโอ้โหมันคลาสสิกจริงผมก็เลยแอบถ่ายแต่เมื่อก็ดูดูผมดูทุกทีนี่เกิดความรู้สึกที่ดีมาก ผมคิดถึงพระบรมที่ว่าเท้าของผู้ประกาศเท้าเสือชัานามจริงจริงหเท้าของคนแก่เนี่ยมันมีลวดลายคือรอยย่นในบนเท้านะผมไม่เคยเห็นเท้าแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาโชว์นะครับอยู่ในมือถือนี่ครับนะแอบถ่ายแล้วเท้าสองเท้านี่เป็นเท้าของคนแก่เท้าหนึ่งเท้าของคนสาวเท้าหนึ่งจะเห็นงามมากเนี่ยผม ผมคิดถึงพรนะองค์ทีเนี่ยเท้าของผู้ที่ประสาทเท้าบอดเสืเนนะี่ยงานแบบเนี้ผมชอบเลผมก็ถามดูทุกครั้งที่ผมเปิดดูกดดูกดดูในในในในี้นะผมเท้านี้พระเจ้าให้กับเราเห็นพอเห็นเท้าปู๊เห็นความงามของเท้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จาดูกันนะครับโปยไว้ก่อนพรุ่งนี้ใครอย่าลืมมา <laughs> <laughs> นะครับต่อไปครับ ใน2เป็นตัวบทที่สงข้อ1จงเฝ้าระวังั้งตัวพวกท่านเองและผูงแก่ซึ่งพระวิญญาณโดยสุดทรงตั้งตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูพิจารของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถมาด้วยนะครับพระโลหิตของพระิของพรงค์นะครับเอาละครับมบที่ข้อ 24-25 พี่ที่น้องอ่านเองนะเอฟเฟซัสบทที่1ข้อเข้อ8่อง่านเองนะครับนะเอเฟซัสบทที่1ข้อสเนี่ย พระวิญญาณเป็นมัดจําในการรับบรดกของเราพีน่น้องรูหครัว่าถ้าเราเนี่นะนะครับเซนส์นะครับเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตออเราไดนะ้นั่นแหละคือมั่นใจในความรอดแล้วยังเข้าใจไหมครับถ้าเราเซนส์เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราได้นั่นแหละคือความมั่นใจในความรอดว่ามีวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนนี่คือมรดกหรือเป็นมัดจํา มัดจาในบรดบของเราบริบเรายังมาไม่ถึงใช่ไหมครับเนะีเพราะเราไม่ตายนะเราไม่ได้รบรดกแต่บรดกบบตรงเนี้ยรั บ, บยังบรรั บ, รบยางยังเนะเรารับตอนไหนฮะตอนตอนตาย ร, รับบำเน็ตนึงนะแต่ว่าอะไรเป็นมัดจาครับเพราะวิญญาณสู่เป็นมัดจานั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีวิญญาณไปสู่ในชีวอเรานั่นแหละเรามีความรอดอยู่ในตัวแหละคิดดูว่าเรามีไหมมีไหมครับรู้ได้ยังไงครับ รู้ไดไงว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มนโนเปล่ามีหลักฐานอะไรครับที่บอกว่าเรามีพู้วิญญาณในชีวิตของเรามีหลักฐานอะไรครับอะช่วยบอกหน่อยครับมีหลักฐานอะไรครับเอาใหม่ห้ใ ห, ใหม่ฮะเรามีหลักฐานอะไรที่เรามีผู้วิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งคือมีผลผู้วิญญาณบริสุทธิ์สองอะไรครับ รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีไปไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไไดหนึ่งแน่นอนต้องมีผลสองครับมั่นใจที่เป็นความรู้สึกใช่ไหมครับเออเป็นเปล่าเป็นความรู้สึกระดับสูงคือคือ คือมั่นใจคือไม่มีอะไรที่จะทําให้เราไม่มั่นใจได้นะคือความเชื่อในระดับสูงความเชื่อระดับสูงนะครับตาลวิเคราะห์ความเชื่อนี่มันจะมีความเชื่อหลายระดับความเชื่อที่มันสามารถที่หันไปได้หันไปได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ความเชื่อระดับสูงคือความเชื่อแบบมั่นใจความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกรู้สึกระดับสูงนะว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะยึดไว้นี่คือความหวังนะยึดไว้ความเชื่อความหวังเกี่ยวของน้องพี่น้องกัน ผมมีอธิบายดังนี้นะครับอะไรครับเราแน่ใจได้ไงว่ารเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านพีบอกไว้เราเชื่อพระพีใช่ไหมครับพระพีบอกว่าถ้าใครก็ตามที่กลับใจใหม่ทํา4อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะเนี่พนยพรวิญญาณเสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ไม่ว่าท่านจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตาม นะครับอย่างพวกเราที่เป็นลูกหลานคริสเตียนเนี่ยตอนที่เรากลับใจใหม่เนี่ยมีความสึกู้ว้างเหมือนที่ต้อมไหมมีอาจารย์พงษ์มี ไ, มอมมไมตอนที่นเนี่ยกลับใจใหม่แล้วอาจารย์พงษ์มีความผู้กว้างเหมือนพี่ต้อมไหนังนั่งติดกันเนี่ยนะมีความูาม้ว้างหคนหนึงไม่นนู้กว้างคนนึงู้ว้างมากเลยี่ผมเปรีบีเทียพรพานั่งด้วยกันนะครับ เห็นไหมครับลูกหลงคที่เตียนแบบพวกเราเนี่ยลูกหลังที่เตียนลูกหลานที่เตียนเวลากับจจรับเชื่อพระเจ้ า, าเนี่ยวู่ว่าไีมไม่ค่อยวู่ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเรารู้เพราะว่าพระ ว, วิญญาณทำงานในชีวิตของเราและพระวจนะคอนเฟิร์มและเราตรวจสอบว่าเรามีอย่างยี่หนึ่งสองสามสี่หถ้ามีหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บเนี่ยเราได้รับ justification เรากำลังอยู่นี่ระหว่างเช็งทีวีเอชัและเรารอคอยการ i ิฟิ a t i o n อยากจะมาถึงการฟิฟิ a t i o n เร็วๆไหมครับยังยังลูกยังไม่จบพอลูกจบแล้วลูกยังไม่แต่งงานพอลูกแต่งงานแล้วจะจะมีหลานเหมือนมเนี่ยครับเนี่ยอย่างงี้ครับถามว่าพร้อมไห q u a l i f i c a t i o n อาจารย์บอโลบอกว่าอะไรครับ การจากไปอยู่กับพระคินนั้นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่ามากนักนั่นหมายความว่าอาจจะยมารู้อาจจะยมารโลท่านรู้ว่า Qualification เนี่ยเป็นไงครับสุดยอดแต่นะครับอาจารย์มารโลไม่อยากไปเพราะไม่จะเห็นแก่ตัวนะแต่เห็นแก่ที่น้องเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้านะครับเอาแล้วครับขอไปที่หน้า20อ่าเราเลยเอฟซิงที อีกสองหน้าครับพูดถึงเรื่องการคืนดีนะครับ เล็กคอนไซระเล็กคอนซียลเลชันคือการคืนดีการคืนดีนั้นผมอธิบายความหมายสั้นๆนะครับก็คือว่าแรเกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระเจ้ากับมนุษย์นะครับตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอ ว, วาก่อนที่มนุษย์ทาบาปเนี่ยพระเจ้าดําเนินอยู่ในสวนพระเจ้าก็พาอาดัมเอ ว, วาก็เดินชมสวนกันแต่พระเจ้าไม่ได้ปรากฏเป็นรูปกายของมนุษย์ใช่ไหมครับจะเดินชมสวนกันลักษณะของวิญญาณเพราะวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยกับ กับอดัมเอวาซึ่งมีรูปร่างกายเอยนกับพวกเราการเดินไปกับพระเจ้าในะตรงนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีการขวางขั้นใดเ่นสิ้นนะสัมผัสกันแบบแบบหน้าต่อหน้าตัวต่อตั ว, ตวนะครับแต่หลังจากที่มนุษย์ทําบาปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ขับไล่นะครับจากตงนั้นน่ยไม่มีใครได้มีโอกาสดําเนินกับพระเจ้านะครับมาจนทั้งถึงยุคของเอโนกเรียกอยากเอโน่ไหมฮะเอโน่เนี่ยฟังผิดว่า เขาดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายตัวไปหมายคาะว่าพระเจ้ารับเข้าไปเพราะฉะนั้นการดำเนินกับพระเจ้าเนี่ยก็จะเห็นภาพของการเดินกับพระเจ้าคนที่ที่สวนเอเดนพอเอโนเนี่ยนับเดินกับพระเจ้าแล้หายตัวไปหมายความว่าเอโนเนี่ยรุดขึ้นไปที่โกลิฟฟิเคชันโดยไม่ผ่านความตายถือว่าเป็นสุดยอดนะในพระพรีมีแบบนี้ไหมครับมีไหมครับ นี่น uh, ีครับอะไรฮะโมเสสโมเสสตายครับแต่หาลุงฟังส่ไม่เจอหาที่ตายไม่เจออะไรครับอะไรครับใครครับเอลียาเอลียาหรือชายาชาเอาเอลียาเอลีชาครับ เอริยาเอริยาที่ขึ้นสวรรค์โดยไม่ผ่านความตายอะไรมารับไปครับรถรถมาเปลือรถมาเปองแชร์รถเอาฝ่ารถมาเปลือไงนี่ไหมรับไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอริยามีสองคนมีสองคนไม่ผ่านความตายนะครับทุกคนเนี่ยผ่านความตายเลยผ่านความตายนะครับเอาละครับการคืนดีกันนะครับการคืนดีกัน มีความหมายมากเลยเพราะมันเกิดจากการตายของพระเยซูนะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยคือดีกับพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่มนุษย์คนแรกทำบาปเนี่ยเรากลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าเปนทีลูกหลานของมนุษย์เนี่ยกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้านะก็เลยกลับมาย้อนสิ่งที่ผมเคยสอนมาแต่พี่น้องอาจจะลืมแล้วเด็กเกิดมาเนี่ยนะครับเขาตายฝ่ายวิญ ญ, ญาณเนี่ย เด็กเกิดมาเนี่ยตายฝ่าวิญญาณเนี่ยครับตายตั้งแด่งไม่เกิดคืออะไรครับเราต้องเดนิฟิชันความตายก่อนความตายคือการกต้องความตายคือการแยก s e เซปเปอเรทความตายฝ่าวิญญาณไม่ได้หมายความว่าวิญญาณหยุดหายใจจำได้ไหมครับผมสอนงี้นะ ความตายฝ่าวิญญาณนี่ไม่ใช่แปลว่าวิญญาณหยุดหายใจหรือวิญญาณแน่นิ่งหรือวิญญาณพินาศหายไปเป็นจุนหรือวิญญาณเข้าสู่ระดับที่ว่านิพพานคือสูงไม่ใช่การตายฝ่ายวิญญาณคือการแยกระหว่างวิญญาณกับกับผู้ทรงสร้างวิญญาณคือพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่ามนุษย์นะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะพิพิน้าแปลว่าอะไรครับ แปลววิญญาณหายไปหรือเปล่าครับวิญญาณกายเป็นศูนย์หรือเปล่าหรือวิญญาณกายเป็นไปสู่ภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นศูนย์ไงศูนยภาพสูนยาภา พ, าภาพถ้าพูดกับคนพุดนี่นะแฮปปี้มากเลยผมอยากจะพินาตมากเลยเพราะอะไรผมอยากจะกลายเป็นจุนไม่มีเหลือกลายเป็นศูนย์ถูกไหมครับนั่นคือจุดสูงสุดของของศาสนาพุทธคือทําให้ไร้ตัวตนคือนิพพานเนี้ยคือไม่มีอะไร แต่ของเราไม่ใช่ในพระพีบอกว่าอะไรครับบอกว่าพิรนาธเนี่ยก็คือตายฝ่ายวิญญาณคือถูกแยกจากพระเจา้านี่ครับเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยนะครับเขาถูกแยกจากพระเจ้าหรือเปล่าวิญญาณเขาเนี่ยถูกแยกไหมแยกครับแล้วเขาจะเชื่อมอีกครัง้งเมื่อไหร่ครับเชื่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ครับ ตอนที่เขาที่น้องเป็นเพสเบอร์เรียนะเอาใหม่อีกทีน้อผมถามด้วยฮะเขาเนี่ยจะได้รับความรอดตอนไหนครับตอนไหนครับเอาที่นี่เป็น Challenge The big challenge for the host bacterian อะไรครับตอนที่เขาบักสิมาเด็กใช่ไหมยกข้อคำถามเนี่ยฮะ confirmation ครับ confirmation ครับอาจารเก๋เป็นเอสเปอร์ที่รู้เปล่าเป็นทำไมอาจารเก๋รู้ อ่าอ่าทีนี้เพสติเลียนจะทะเลาะ ก, กันแล้วครับจะจะจ ะ, จ ะ, จะขัดแย้งกันแล้วเพราะอะไรเพราะบางคนเชื่อว่าเด็กเนี่ยรอด ต, ตอนไหนครับตอนต่อจะสมาธิเพราะเหตุความเชื่อของพ่อแม่พ้อมีที่ไหนมีสอนไหมครับบอกพ่อแม่เชื่อแล้วเนี่ยลูกจะรอดมีไหมเป็เพสิ เ, เ, เ, เรียนหรือเปล่าโอเคผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้ฟังนะครับ พี่น้องนะพี่น้องรู้จักคำตำนี้ครับขอจนจบวันนี้นะครับเราต้องรู้ว่าในพระคัมภี์เนี่ยมีคำว่า covenant covenant แปล ว, ว่าพันธสัญญานะครับพูดถึงพระคัมภีร์เดิมครับ พันธสัญญาเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคนยิวเนี่ยนะลูกของเขาเนี่ยเข้าสู่พันธรรยาวันไหนครับวันที่8หลังจากที่เขาเข้าสุนทะั น, นี่คือพันธสัญญานิรันด์ระหว่างพระเจ้ากับอิส ร, ราเอลนะครับทีนี้ทีนี้ในพนระคัมภีร์เนี่ยก็จะมีการตีความหมายนะครับเข้ามาถึง ตรุ่ที่บัพติศมาเด็กก็คือว่าเวลาที่บัพติศมาเด็กผู้เนี่ยถือว่าเด็กคนเนี่ยเข้าสู่เข้าสู่อะไรฮะเข้าสู่พันธสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กคนเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับที่จะเข้าคอนเฟิร์มชันเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยตายแล้วไปไหนไปแล้วไปไหนครับ เอาพี่น้องเพสเปเทเลียนจา๋าผมนั่งสอนว่าในฐานะเป็นสิษย์บิบาลขหมือนกันคือสมมติว่าเด็กเกิดมานะครับรับปัตตสมาแล้วนะปัตตสมาเด็กแล้วครับตายไปเนี่ยไปไหนพี่น้องเขาไม่รู้เสียเสียของครับเสียชื่อเพสเปเทเลียนหมดเลย เสียชื่อแองกิลิแกนเสียชื่ออะไรต่างๆที่มีบัพติมาเด็กหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเราต้องแน่ใจว่าลูกของเราเนี่ยไปไหนไปหาพระเจ้าตาม c o วนนั่นตามพัทธสัญญาว่าเราได้มอบลูกของเราให้กับพระเจ้าแล้วในขณะที่เขายังไม่สามารถเข้าสู่คอนเฟิร์เอชั่นได้นะครับคอนเฟ r ร์ t เ o ชั่นคือการประกาศตัวเพราะฉะนั้นนี่ลูกของเราถ้าเกิดมีอันเป็นไปนะครับตายไปเนี่ยนะครับ เขาไปไหนไปไปหาพระเจ้าไปสวรรค์พี่น้องบอกไม่รู้สิไม่ได้นะครับ <S <S นนเนี่ยนี่คือจุดอ่อนของเราที่เราไม่ได้อบรมพ่อแม่เรานัดพ่อแม่มาแล้วพ่อแม่ก็ไม่มาจริงนะครับใครจะรับบัพติศมาเด็กเนี่ยถามอาจารย์สังตีพวกเราคุยกันนะฮนะทั้งพ่อแม่มาคุยก่อนนะลูกจ่าตายไปไหนไม่รู้หรอก ไม่รู้ลูกตายแล้วไปไหนแล้วต้องเลี้ยงลูกยังไงพอมาถึงคุ้บนะครับโทรศัพท์มาผมยกตัว อ, อย่างง่ายๆมีท่านห น, นึ่งนะผู้ใหญ่ไม่เอื่นะพาพาผมเนี่ยไปกินโจ๊กอร่อยที่สุดเลยนะอยู่ตรงซอยแปตรงเนี้ ย, ย, ชยใช่ไหมครับโรงแรมอะไรไม่รู้อร่อยมากเลยนะฮ่องกงกูงฮ่องกงอร่อยิเลยเหมือนกันนั่งกินที่ฮ่องกอองก อ, อ, งก อ, อ, งกอาจารย์นะจะฝากล้านคนหนึ่งมารับสินหน่อยหลายคนเลงไป ผมก็บอกว่าได้ครับพี่มีปัญหาครับกินกินจกไปแล้วก็ได้เลยกินจกไปแล้วก็ได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับนะแต่ว่าขอเจอพ่อแม่ก่อนนะครับนะได้ได้เดี๋ยวแต่พ่อแม่เขาไม่ค่อยว่างจ้จ้าจจ้านี่ก็ไม่เป็นไรครับขอขอเจอก่อนนะปรากฏว่าเจอตรงไหนเจอกันมารับสินที่แล้วแล้วรับสินเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เคยมาเลยเนี่ยผมอยู่มาตั้งหลายปีนะ โจกเนี่ยได้กินชาเมือนกแต่ไม่เคยมาเลยหลังจากรับสิ่งเด็กเพราะอะไรครับก็เขาเชื่อว่าเป็นเหมือนกันแลไรเป็นสายศาสตร์อ่ะนะมาที่มันจบแล้วเรียบน้อยแนละ้วไม่ใช่นะครับคืออันนี้เป็นพิธีภายนอกที่คุณถวายให้ลูกพระเจ้าคุณถวายพระเจ้าแต่คุณต้องรับผิด ช, ชอบว่าคุณสัญญาคุณเข้าสู่พนันธะญาพ่อแม่เข้าสู่พนันธะญาลูกเข้าสู่พนันธะญา คุณต้องพาลูกมาคุณต้องรับชอบลูกคุณถ้าลูกคุณเป็นอะไรไปนะคุณเลือดของลูกคุณจะฟ้องคุณ่ะผมพูดอย่างนี้เลยนะนั่นะคือสิ่งที่เพสเปเรียนรักษาวัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่ในพ้อมีว่าคุณต้องดูแลลูกคุณยิวนี่นะครับดูแลลูกของเขาคนอิสราเอลเนี่ดูแลลูกเขาเนี่ยท่องพระคัมภีร์โทราห์นะ ไม่ใช่มาแบบมาชุวงหนาทุกเนี่ยแก้เป็นยิวแล้วแกไม่ต้องทำไรแล้วแกเป็ยิวอัตโนมัติเลยไม่ใช่นะเขาต้องรับผิดชอบการเลียงดูมูเพราะนี้แหละครับเอากลับมาถึงเรื่องนี้นะครับพรุ่งนี้พูดต่อนะครับนะพรุ่งนี้พูดต่อว่าการที่เราเนี่ยคืนดีกันนี่คือเป็นหนึ่งในข่าวประเสริฐที่เราจะต้องสอนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณคืนดีกันเพราะอะไรเพราะพระโลิต ข, ของพระเยซูคืนดีกันแล้วเกิดอะไรขึ้น คุณไม่เป็นศัตรูของพระเจ้าอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เด็กนะครับรับเข้าคอร์บอลแนนเนี่ยนะครับเขากลายเป็นอะไรละเขากลายเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเขาเลิกเป็นศัตรูนะครับเกิดการคืนดีผ่า น, นใครครับผ่านคุณพ่อคุณแม่ของเขาละถูกไหมครับนะการคืนดีตรงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เขารักษาสัญญาแล้วต้องมีพระเจ้าใช่ไหมฮะจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เติบโตขึ้น แล้วพี่น้องก็ไม่ครับว่าผมเนี่ยต้องรับผิดชอบหนักพอาถึงควรนะและท่านน่ะท่านที่พยักหน้า <c oughs> ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะดูแลเด็กคนนี้ให้เติบโตขึ้นข้าพเจ้าขอสัญญาหนักผมถึงบอกว่าทุกคู่ที่เราประกอบพิธีแต่งงานเนี่ย คนประกอบวิธีเนี่ยนะครับรับไปเต็มเต็มแล้วก็เสียใจมากเพราะหลายในครั้งเนี่ยประกอบไปแล้วเนี่ยนะสัญญาว่าอย่างไงสัญญาว่าไงก็ไม่ทำเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาย่างไงไม่รู้จะทำไงครับนะาารครับกระแลงครับรรครับ ไม่ไม่มีโอกาสที่ได้นิบายนะครับก็ตั้งแต่กินโจ๊กเสร็จปุ๊บนะครับเจออีกทีนะครับแปลงเจออีกทีนึนงนนเนี่ยก็คือพิจเกาะพิธีแล้วนั่นแหละครับบอกว่าให้มาหาหน่อให้มาหาหน่อยใช่ไมหมครับไม่หาก็ไม่พามาหาเ น, น, นี่ยครับเนก็กินโจ๊กอะไรผมจำได้เลยกนะินโจ๊กอร่อยมากแตมนน่มาอีกทีนึเนี่ยมาอีกทีนึก็คือมารั บ, รบมารับแล้วแล้วหลังจากรับก็ไม่โผล่มาอีกเลย ใช่ฮะ ต, ตอนจะมีเห <c oughs> นรนนะี่ตอนตอน <c oughs> ตอนคอนเฟิร์มเอชั่นไม่รู้นะถ้าเกิดถึงคอนเฟิร์มเอชั่นก็ดีแต่พี่น้องรู้ไหมครับเราอะเราหลังท่านั้นหลุดนะหลุดห ล, ลุดไปเยอะเลย <c oughs> ถึงได้บอกว่าโบสถวัฒนาเราเนี่ยมีแต่คนสูงวัยนะครับจางโปรก็น้อยมันเป็นอย่างนี้ฮะนี่เพราะมันหายเลยฮะหายไปเพราะว่าคนที่บอกว่าจะถวายลูกก็ถวายแล้วก็ ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับถวายลูกกับบัพติศมาเด็กนี่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันบวชแพติสก์เหมือนกันถวายลูกก็เหมือนกันถวายลูกเข้าสู่กัจายกันนะครับแต่เป็นเดี๋ยวว่าไม่ได้มีน้ําพิ่มเอ ง, เองและเขาก็ต้องรับผิดชอบพาลูกมาเรียนระวีพาลูกมาบวพาลูกมาเข้าอุทิชนยุวชนแต่เขาก็ไม่มาทุกบวชก็มีปัญหาแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ของเราเนี่ยทำเป็นพิธีเลยนะครับเป็นหมู่เป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็มีอะไระ มี Godfather Godmother Godmother Godmother ก็รับเต็มๆทั้งหมดสี่พันเลยครับตัวไหมครับแผลงเลวเต็มๆเลยนี่ครับนี่คือความหลังนักทหัรนะครับที่เราก็เชิญอยู่นะครับเอาละครับหมดเวลาพี่น้องครับเตรียมคําถามให้ดีเลยครับพรุ่งนี้เปิดโอกให้ถามเป็นความสุดท้ายแล้วก็ยี่สิี่ชั่วโมงนะครับอยู่ในชีดของทางนะครับลองอ่านดูนะครับผมจะขอข้ามไปเลยนะครับที่24ี่ชั่วโมงนะครับ หน้าที่32ตอนที่ผมอ่านนะร้องไท้ผมก็บอกน้องหญิงว่าน้องใน้องหญิงมมมา่นคมผมก็บอกอน้องหญิงพว่า้องน้องหญิงิมไปนะอย่าร้องไห้นะเพราะว่าพออ่านไปปุนะ๊บนจะเปิดความซาบซึ้งมากเลยเว่าพระเยซูทาให้เราถึงได้ขนาดนี้เลยนะครับนะ ล อ, องกลับไปอ่านดูนะครับนะละอ่านพร้อมกับพระธรรมอิสยาห์บทที่53นะครับโอเคครับให้เราร่วมใจกันในทิฐิอาจารย์พระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพทธ้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่ความจริงในพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกถ่ายทอดให้กับลูกลของพระองค์บรรดาบุตรของพรองค์ที่นั่งอยู่ที่นี้ทุกคนรวมทั้งข้าพเจ้ารวมทั้งทุกๆ ท, ท่านถ้าแต่พระเจ้าขอสมโภชปรับเปลี่ยนชีวิตของข้าพุทธิ์ทั้งหลาย ตามพระรำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้านั้นจะเป็นฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะกำลังไหลเองนั้นไม่มีแรงพอที <m utter kilometres> ่จะกระทํำสิ <m utter> ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าไมีพึ่งพระองค์ถ้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดโุรดพรรเป็นที่พึ่งของข้าพุ่งไหลพรทรงเป็นที่รีไพของข้าพุ่งไหลาที่เป็นกำลังข้าพงหลข้าพุ่งไหจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปกปรวนเพราะเหตุที่พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าแต่พระเจ้าขอยึดพระองค์ไว้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ทั้งหลายนั้น ได้รับการทรงนำในการช่วยเห a, ลือรับการช่วยคู่จากความรักมั่นคงของพระอพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่หลั่งไหลไม่เข็มขอชำระขอการชำระเกิดขึ้นในชีวิตของของงา้าพเจ้าและใหการชำระนํามาซึ่งความเติมเต็มการเติมเต็มของพระเยียนโดยสุดพวงเกี่ยวข้าขอสมโสดเมธาน์บริพรภรุ่มความรักษาในการเดินทางกลับของทุก ท, ท่านให้อยู่ในการทรงนำจนกว่าเราจะพบกับอีกในวันพรุ่งนี้ขอขอบพระคุณพระองค์ อธิษนนฐานการาบทวามอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนครัพระเจ้าอิปอบขอบคุณทุกท่านครับ